อาจารย์ครับการวัศการครับรอาจคุณหมอและท่านผู้ชมฟังทุกท่านครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่สองร้อยี่สิบห้านะครับอาจารย์ครับขอนเข้ารายการก่อนญาติอาจารย์ครับเมื่อเช้าคนใส่บาตรเยอะไหมครับผม้สอแดสนดงว่านิพพันธรรมะ เดี๋ยวพรนี้เป็นวันพระหนึ่งวันนึงทั้งอ๋อก็จะสามประมาณสามร้อยกว่าคนเป็นวันพระแต่เป็นวันรครับผมครับอาจารย์ครับเพาตอนบ่ายคณไปฟังเทศเยอะไหมครับผมประมาณร้อยสามสิบคนะวันนี้น้อยหน่อยปกติทํามาสอร้อยหนึร้อยสามสิบอยอก็ประมาณเจ็ดร้อยสี่สิบ้าท่ติดตาม ครับผมตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดร้อยกว่าคนเช่นกันนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับและต่อจากครั้งที่แล้วเลยครับอาจารย์ครั้งที่แล้วคุยถึงเรื่องเอคนใกล้จะตายครับทีนี้ตอนนี้ก็เลยขออนุญาตอาจารย์ให้ปัญญาพวกเราต่อว่าพอตายแล้วอะครับชีวิตมันไม่ได้สิ้นสุดแล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อไปครับอาจารย์ครับกับเอาความเมตตาครับผมอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคนเราเชื่อว่า ชีวิตของตอนนี้มีเพียงร่างกายหรือนอกจากร่างกายแล้วมีจิตใจ อ, อีกส่วนหนึ่งถ้าเชื่อว่าในร่างกายเพียส่วนเดียวตายก็สูนเมื่อร่างกายตายไปร่างกายจะไปรับผ ล, ม, ผลมาณะอันนี้ทฤษฎีของพวกที่เชื่อว่าชีวิตของตอนเองมีแค่ร่างกายเมื่อร่างกายสิ้นสุดลมชีวิตของตอนก็สิ้นสุดลมเพื่ออย่ากมาจบ อันนี้ก็จะผู้นี้ก็จะไม่กลัวเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เพราะคิดว่าไม่มีใครไปเป็นผู้ไปรับผลบุญนี้ไม่ผลบาป ท, ที่ที่ตนเองได้ทำไว้ก็เลยจะกล้าทำบาปจะพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้หาความสุขในโลกนี้จากราภยศเสรเสรจากลบสิ่งดีดในทุกรูปแบบไม่ว่าจะนการทํา บาปไม่ดีแล้วไม่ทำบาปไม่ดีแต่ก็ไม่แต่ก็ต้องทำเราว่านี่คือสิ่งที่เขาปรารถนาคือความสุขอย่างได้เงินเยอะๆอย่างได้ยศได้ตำแหน่งสูงๆอย่างได้มีการรับการสารเสื่อเยือนย่อยากจะเสวรูปเสียงดินรดต่างๆคนนี้เขาก็จะไม่เกรกลัวแล้วบาไม่มีอริยตบถปะ เพราะว่าเขาไม่เชื่อว่าตายไปแล้วยังมีผู้ไปรับผลบุญผล บ, บาปอยู่นั่นเองใจพวกหนึ่งนี้ก็เป็นพวกที่เชื่อว่านอกชีวิตเรานอกจากร่างกายแล้วนะยังมีอีกส่วนที่เรามองไม่เห็นก็คือใจใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายไปทำบุญทาบาปแล้วใจเป็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผล บ, บาป แล้วอยากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเิะไปสวรรค์หรือไปอบ า, ายพวกนี้ก็แ บ, บ่งเป็นสองพวกก็ได้พวกที่ได้พิสูจน์แล้วเป็นความจริงคือพระพุทธเจ้าพระอรันทั้งหลายนี้ท่านได้พิสูจน์แล้วว่าเสิ่งนั้นเป็นความจริงสวรรค์ไม่จริงเนรโลกม่จริงบุไม่จริงบางไม่จริงผู้ที่ทําบุญทาบาปก็คือใจ ที่จะต้องไปรับผลบุญลบาปต่อไปอันเดีงวกับพระพุธเจ้าและพระาตมาสาทุกโลกนี้มีความเห็นพร้องต้องกันว่าเป็นความจริงคาคำสอนพรามเจ้าคสาสอนพรบ้านนี้จะไม่ขัดกันนะฮะนเรื่องกดแห่งกราในเรื่องการมีมว่ายตาคกัก็พวกนี้เป็นพวกพิพสูจน์ได้อีกพวกนึงั็เป็นพวกที่ยังไม่ ไ, มได้พิสูจน์ในความสัจธรรมที่ไดาได้เป็น ก็เลเชื่อว่าพระเจ้าป็นพรเลยาอะไรเชื่อจะเห็นว่ า, ลาแล้วแล้วโลสวรรค์อยู่เท่านั้นจะไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรอยาไม่ได้พิสูจน์ได้เห็นกับตัวเองพวนี้ก็จะเป็นพวกที่อยาเชื่อนะพยายามทำบุญนะไม่ไม่ทําบาปพยายามปฏิบัติตามคําสอนของเจ้า เราวังว่าวันใดวันหนึ่งเขาจะมีดวงตาเห็นทรรมขึ้นมาพอเป็นโูกเป็นพระโสดาบันนี่ก็าจะเห็นเห็นในโลกเห็นสวรรค์เห็นการเห็นว่าตายเกิดเห็นเหตุที่พายมาเป็นว่ายตายเกิดก็คือเลตตัณหาต่างๆนั่นก็จะสจะตั้งมั่นอยู่ในคุณแล้วทำความดีงามจะไม่ทําบาปใดๆแล้วก็จะคอยกำจัดเหตุที่พายมาเป็นว่ายตายเกิดให้หมดซิ้นไปจักใจ ก็คือกิเลสตัหาต่งตางๆพวกนี้ก็จะบรรลูเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระสุวรรณมาถึ้นไปก็จะศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มั่นคงร้อยเปร็นไม่ลรงเลยสงสัยไม่ลองเลงยลเลนั่งน้องนั่งสวด น, นั่นบงบวมนั่งบุญรั่งกดห่กรรงท่านเห็นชัดด้วยการปฏิบัติเห็นได้เห็นได้จิตจงด้านนี้ จิตนี่หละเป็นตัวที่สร้างบุญสร้างบาปทำบุญทำบาปสร้างนรกสร้างสรรค์ขึ้นมาในจิตแลเป็นจิตที่ไปเวียนว่ายไปเกิดก็คือจิตนี่ก็ก็เป็นอย่างนี้มีอยู่สองพวกถ้าเชื่อถ้าเชื่อถือว่ายัางไม่รู้ไม่เห็นแต่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าว่าถ้าล้านตระสาวงฉลาห์เนี่ยท่านไม่ได้เป็นคนบ้านหลอกลวงเราถ้าไม่ต้องการอะไรจากเรา อยางวันนี้ที่เทศตอนบ่ายก็เทศบาลจิตของพระพุทธศาสนาเข้าไปอยู่สนามประการด้วยกันสามข้อการที่พระเจ้าประกาศพระศาสนานี้ไม่ได้หวังจะมากรอบโควงเงินท อ, คคองจากพวกเรานไม่เคยคิดว่าจะของมาจากพวกเราแม้แต่บาทเดียวไม่เคยขอไม่เคยเรียกไรยเว้นมีหน้าบาทเพื่ออาหารนั่นนอกจากไม่เคยเรียกไม่ไม่เลยมีเจต น, นาที่จะมาสวาสดาาิ์ลาสุรเสริญจากพวกเราเลยแม้แต่นิดเดียว พอใจองท่านนี่ต็มเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์มุสุขคือพระนิพพานเปลี่ยนเหมือนน้าที่เต็มแก้วน้ำเต็มแก้วแล้วเทน้ําใหม่เขไปเท่าไหร่มันก็น้ําก็เท่าเดิมมันก็จะไหลออกมาฉในใจที่เต็มด้วยอรมณ์มุสุเราให้ได้อะไรมาความสุขระดับไหนเท่าไหร่มันก็มันก็ไม่ได้ทําให้ความสุขที่มีในใจนั้นมากขึ้นแต่อย่างใดมันเต็มเปลี่ยมนะแต่ท่านทําด้วยความเมตตากราุณา เห็นพวกเรายัางเป็นพวกมืดบอดอยู่ยังไม่าตายเกิดยังมีต้องไปเกิดในบายต้องไปเกิดในสวรรค์โดยไม่รู้สาเหตุว่าอะไรพายเป็นไปนะครัพระองค์ก็เลยส่งมีความเมตตานะประกาศพระศาสนาโดยมีเป้าหมายภา ร, รกิจอยู่สามเป้าด้วยกันเป้าหมายแรกก็คือปิดประตูบายให้กับสัตว์โลกคือสอนให้สัตว์โลกรละการการะทำบาป ท, ทั้งปวกเพราะว่า อาบาลนี้เกิดการไปเกิดอาบาลเพิ่งเกิดจากการกระทัาบากแล้วภารกิจที่สามว่าเปิดประตูสวรรค์สอนให้สัตว์โลกไปสวรรค์กด้วยการท ำ, ำบุงทำทานทำบารีทำบารีแล้วภารกิจที่สามว่าสอนให้สัตว์โลกไปนิพพานสาหรับผู้ที่เบื่อต่อการวียนม่มาตายเกิดก็สอนให้ชำระจิตใจให้สะอาโดยสันุด นี่นะคือภารกิจของพระพุทธศาสนาอย่างที่พระเจ้าได้ทรงแสดงทรรไว้ในวันมาาบูชาํำได้ไหมโอวาทาปฏิโมท่มีผ้าหนึง่งห่ันสา้อยห้าสิบเรื่องมาประชุมวันนี้เพื่อเป็นการตอบย้ำว่าภารกิจของศาสนาอยู่ตรงไหนแต่มางคนฟังแล้วไม่เข้าใจก็ยังเชื่อภารกิจศาสนาคือมาลีบมาลีดลายมาของเงินจากสัตายาญโย เพื่อมาทําอะไรตา่างๆบางคนก็ไปสงเคราะห์คนยากคนจนสงเคราะห์คนป่วยคนไข้บางคนก็ไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์แต่ก็มีงานเรื่องไร้หน้าไนทย่งนี้ภาปปพาปมภาพปาเต็ไหมดในหัวชาวต่อเพื่อการแพทย์ภาพปาเพื่อการศึกษาภาพปาเพื่ออะไรรอยแปดรายการนี่กลายเป็นภารกิจของศางสานาไปโดยโดยปริยายโดยที่ไม่รู้สึกตัว ถ้าไม่ได้ศึกษาความเป็นจริงยังไม่รู้ว่าภารกิจที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าของพระศาสนาเนี่ยหยุดที่ตรงไหนพระเจ้าต้องการให้เราไม่ต้องไปเกิดในบานให้ปิดให้ปิดประตูบ้านถ้ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ให้ไปสวรรค์ให้ไปหรอยู่ยนว่ายตายเกิดในสุคติแล้วถ้าสามารถยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ให้ไปนิพพานนี่คือภารกิจของพระพุทธศาสนา เอาของดีมามาฝ า, า, ากชาวโวกไม่ได้มาขออะไรจากชากชาวเรื่างหน่วยแม่แต่บาทเดียวทุกวันนี้ศาสนาการเป็นเครื่องมือของหน่วยงานต่างๆที่ต้องการได้ได้ใครต้องการรายได้ก็เรียกรายกันผ่านพระป่าเนี่พนพนยพระบ่าช่วยนู่นช่วยนี่พระบ่าซื้อซื้ออุปกรณ์การศึกษาบ้างซื้ออุปกรณ์แพทย์บ้างพระป่าอะไรล่ะแต่ธนาคารทีนี้ พอเป็นพระป่าแล้วคนก็อ้าวศรัทธาเชื่อกันทำบุญกันได้บุญกันความจริงการทําบุญนี่คนจะทําด้วยศรัทธาจากความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะไม่นคนที่อยกถูกชั้นนําถูกเอถูกถกดีรายบางคนนี้เบื่อเนี่ยกใกล้กระถินนั่นเนี่ยซ้อมมาเต็มหัวเลยครับ ขอให้เข้าใจว่าศาสนาเรานี้ไม่ได้มาเพื่อมาเอาอะไรจากพวกเราเอาเอาของดีมาให้พวกเราเราสอนพวกเราให้ปิดประตูอบายสอนพวกเราให้เปิดประตูสวรรค์เราสอนให้พวกเราเปิดปิดประตูพระนิพพา น, นถ้าไม่มีพระพุทธศาสนานี้เราจะไม่มีคนที่จะมาสอนแบบนี้โดยเฉพาะประตูสู่พระนิพพานนจะไม่มีใครรู้เลยนอกจากพระพุทธเจ้าพระหลานทาวรรษเท่านั้น นี่ก็คือที่มาว่าทําไมเราต้องทําบุญไม่ทําบาปเพราะว่าบาปมันจะทําให้เราไปเกิดในอาบายกันแล้วถ้าเราทําบุญมากกว่าทำบาปบุญก็จะดึงเราไปสวรรค์กั น, นแล้วถ้าเราไม่ต้องการกดะกรัมาเกิดแก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้าอีกอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเราก็ต้องตัดกิเลสให้หมดและตัดใจด้วยการปฏิบัติจิตตากอรนาะทํำลายจิตใจให้สะอาดโดย นี่เป็นเรื่องของจิตใจนู้ไม่เกี่ยวกับร่างกายเลยร่างการประเพียงแต่เครื่องมือที่จิตใจใช้ในการตอบสนองกิเลสตัณหาของของใจนั่นเองพอกิเลสตัณหาถูกกำจัดไปหมดประจากใจใจก็ไม่ต้องการมีร่างกายต่อไปไม่ต้องไม่ต้องมีร่างกายต่อไปใจก็จะไม่กลังมีร่างกายเกิดต่อไปอันนี้ก็เลยสรุปให้ฟังว่าเนี่ย มีจงสวรรค์เมีจริงนรกมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงเป็นเป็นที่ตั้งของภารกิจของพระพุทธศาสนาภารกิจของรพระพุทธเจ้าพระรังกสาวให้พวกเราละเว้นการกระทำบาปเพื่อปิดประตูาบานให้สร้างบุญสร้างบุญลเพื่อเปิดประตูสวรรค์และให้ชำระจิตใจให้สะอาดเพื่อเปิดประตูพระนิพพาน นี่เป็นสิ่ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราตายแล้วร่างกายตายไปแล้วแต่จิตไม่ตายจิตจะไปไหนก็ขึ้นอยู่านี้ตอนที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้ว่าเราทําบุญหรือทํำบาปทาอย่างไห น, นมากกว่ากันถ้าบาปมากกว่าบุญก็ไปอาบายถ้าบุญมากกว่บากกบาปก็ไปสวรรค์ถ้าทํำน้าใจให้สาดโดยสุดมันลุกเป็นท่าอะไได้ก็ไปไปในผ่าน พระครับข้อสรุปว่าตายแล้วไปไหนแม้แต่คนกลุ่มแรกที่พระอาจารย์บอกว่าเขาไม่เชื่ออย่างนั้นแต่พอตายไปเขาก็จะไปเจออย่างนั้นอยู่ดีใช่ไหมครับก็เหมือนกับไม่เชื่อกฎหมายคุณไม่ทําคําร่ชวยคนตายไม่เชื่อเผิดนี่ก็ถูกเขาจับเปลงโทษก็ไม่เขาไม่ฟังหรอกใช่ไหมว่าสารไม่ฟังว่าคุณไม่รู้ไม่เป็นไรยกโทษไห้ไม่มีจะเชื่อไม่เชื่อจะรู้ไม่รู้ บทแหกรรมไม่ไม่ไม่ไม่ไม่มีข้อจำกัดถ้าไม่เชื่อไม่รู้ก็ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเนี่ยคนคนที่ไม่เชื่อบุญเชื่อไม่เชื่อบาบเนีเชื่อบาบไม่มีจริงทำทำอาชีพทรมาทำอาชีพด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็คิดว่าเป็นเรื่องของการเอาตัวอยู่รอดใช่ไหมต้องทำอาหากินก็คิดว่าการฆ่าสัตว์เพื่ออยู่รอดนี่ก็เป็นเป็นเรื่องปกติของของการการมาเกิดที่ ต้องเอาตัวให้รอดแต่มันเป็นบาปตาหลดกธรรมตามกฎแห่งกรรมตายไปก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานพราะเดรัจฉานเขาก็าอยู่แบบนี้เขาอยู่กันด้วยการฆ่ากันครับผมครับขอพระคุณพระอาจารย์ครับวันนี้ก็ตอกย้ำศรัทธาตอกย้ําปัญญามากขึ้นแล้วครับพระอาจารย์ครับยังไม่เห็นจริงแต่ก็ แต่ก็ไม่กล้าทําบาปแล้วก็คือพวกเราโดยส่วนใหญ่ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เชื่อพระคุณพระธรรมวสุไว้ก่อนอย่างนี้ป่ะท่านปรากฏอยู่ในนอกนที่มาตั้งสองวันห้ารอยกว่าปีแลนะ้ถ้าเป็นของปลอมวันนี้มันจะต้องถูกเขาแชออกมาแล้วใช่ไหมใช่ครับอันี่ยังไม่มีใครขึ้นมามาแชว่าพระเจา้าเราทำประสงค์นี่ไม่ใช่เป็นของจริงไม่มีใครกล้าแ ผมขอโอกาสถามคำถามจากเพื่อนเพื่อนบ้างครับอาจารย์ครับคุณตะวันถามว่านั่งสมาธิโดยใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธนานพอสมควรจนจิตนิ่งขณะนั้นพุทโธหายไปชั่วขณะและเห็นแสงสีม่วงและสีเขียวบ้างไม่นานแสงนั้นก็หายไปสภาวะนี้คืออะไรและควรทำอย่างไรหากเกิดขึ้นอีกในครั้งถัดไปครับไม่ควรสนใจนะควรจะกลับมาอยู่กับพุทโธดีกว่าถ้ามีอะไรปรากฏขึ้นมา แสดว่าใจเราเริ่มไม่เนิ่งใจเราเริ่มปรุงแต่งสภาวะเหล่านี้เป็นการปูุงแต่ของใจที่ยังไม่เนิ่งถ้าใจเนิ่งแต่ที่ใจจะว่าจ ะ, จะว่าไม่มีอะไรให้รับรลยถ้าเริ่มมีอะไรให้รับรู้แสดงว่าใจเราเริ่มทำนานองแล้วก็กลับมาบริกรรมพูดโทต่อให้อยู่อยู่กับพูดพูดโธไปเพียงอย่างเดียวเพราะใจยังไม่เข้าถึงจุดที่เนิ่งสมออย่างเต็มที่ ธาตุรู้ต่างจากจิตอย่างไรครับตัวเดียวกันเรามีหลายชื่อในการคือคือเป็นถ้าเราพูดตามตามหังสารกลตามหลังวิทยาศาสตร์จิตใจก็คือธาตุนั่งกายก็คือธาตุสี่ยิง น, น, น้ำลงไฟนะถ้าใจเราเป็นทุกข์เรานั่งสมาธิแล้วเราจะดีขึ้นไหมครับถ้านั่งสมาธิแล้วจิตสงบ ความทุกข like ์ก็จะหายไปชั่วคราวเพราะความทุกข์เกิดจากความคิดของจิตที่คิดไปตามความอยากต่างๆอยากได้นั้นอยากได้นี่อยากให้ก็เป็นอย่างนั้นอยากให้ก็เป็นอย่างนี้พอไม่ได้เป็นน้ำใจอยากใจก็ทุ้กขึ้นพอไปนั่งสมาธิหยุดความคิดได้หยุดความอยากได้ชั่วคราวความทุกข์นั้นก็จะหายไปทันทีแต่จะหายแบบชั่วคราวพอออกจากสมาธิมาเราเริ่มคิดใหม่ถ้าไปคิดในเรื่องเก่าอีกก็จะทุกขึ้นมาได้ ถ้าอยากจะไม่ทุกข์ก็ต้องใช้ปัญญากําจัดลังถาวรปัญญาก็จะค้นหาใจว่าความทุกข์ใจว่าเกิดจากอะไรก็จะเห็นว่าเกิดจากความอยากแล้วจะทํางไรถึงจะหยุดความอยากได้ก็เห็นว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถสั่งมันได้ว่าทุกสิ่งุอย่างในโลกนี้เป็นอนัตตาไม่หยุดภายใต้คําสั่งของใครบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้พอไม่ได้ก็ทุกข์ใจกัน ถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็อยากไปอยากให้ยินดีตามมีตามเกิดไปใจก็ยังไม่ดุอคนนี้ก็จะหรับความทุกอย่างถาวรด้ปัญญาการเรียนถามพระอาจารย์ครับคนที่เขาหมดอายุไขคือคนที่ตายตอนอายุมากหรือเปล่าแล้วคนที่อายุน้อยแต่ตายก่อนวัยอันควรคือคนที่ยังไม่หมดอายุไขใช่ไหมครับ ความจริงแว่าอายุขัยไม่ใช่คำที่เราสมมุติขึ้นขึ้นมาเท่า้เองคนที่ตาย ก, ก็ถึงเวลาตายเท่านั้นแหละจะอายุขยัยหรือไม่อายุขัยไม่ไมไมสําคัญทําไว้ก็คือเหตุปัจจัยที่ทําให้ชีวิตอยู่นั้นหมดไปมันก็เลยทำให้ตายได้อาจจะตายด้วยอุบัติเหตุอาจจะตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอาจจะตายด้วยการถูกฆาตกรรมมันก็เป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้ชีวิตสิ้นสุดลง มองตํามหักธํามก็คือมันเป็นอนิจจังชีวิตของกเราไม่มีอะไรแน่นอนจะอยู่เทิ้งกันกี่ปีนี้ไม่มีใครรู้บางคนก็อยู่สั้นบางคนก็อยู่ยาวเพราะมีเหตุปัจจัยที่ส่งเสริมให้อยู่หรือให้ไปนี้มากมายกายของที่เราไม่สามารถเอามาวิเคราะห์ได้ทุกอย่างก็ให้ไปดูที่กฎอนิจจังแทนก็คกฎตายตัดที่กำกับเรื่องของร่างกายร่างกายเป็น พอไม่เที่ยงเกิดจะเจ็บตายจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้อันนั้นตายไม่มีใครไปควบคุมบังคับมันสั่งมันได้ถ้าไปอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่เป็นมันก็จะทาให้ใจทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ก็ยอมรับความเป็นจริงไปดวงจิตนี้เป็นดวงเดิมทุกภพทุกชาติสําหรับการเวียนว่ายตายเกิดหรือเปล่าครับใช่โยนตัวเดียวันนีุลนะ เพียแต่มันเปลี่ยนไปตามมุนตามบ่านำพบบางชาติมามาเจออยู่กับคนดีก็สอนให้เป็นคนดีก็เปลี่ยนเป็นคนดีไปแล้วพบหน้ากลับมาเจอไปอยู่กับคนชั่วคนชั่วก็เชิญไปทําชั่วก็เปลี่ยนปเป็นชั่วได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเขาถามว่าชาตินี้ของเราดูจากอะไรครับอาจารย์ก็ดูจากร่างกายนี่ไง เรื่องน้ำชาเหล่านี้ของเราอยู่ที่ร่างกายตั้งแต่แรกเกิดมาจะนั่งถึงเวลาตายก็หนึ่งชาตแต่ถ้าชาติของเทวดานี่มันก็นับจากการอยู่ไปอยู่เทวดาอยู่สวรรค์จนกว่าเป็นโอกาสจะโตลงมาจากสวรรค์แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นชาติหนึ่งของเทวดาวิธีทําสมาธิให้ได้ถึงขั้นอัปปนาสมาธิทําอย่างไรและมีอาการอย่างไรครับ ก็ต้องมีสติกำกับใจให้อยู่กับกรรมฐานคือพุโทโธนึกการดูลมหายใจอย่างต่อเรื่องไม่ไปคิดเรื่องอะไรเลยจนกว่าจนกว่าถ้ามีการต่อเนื่องไม่ไปคิดอะไรเดี๋ยวจิตก็จะนิ่งสงบมีอาการความรู้สึกที่แปลกประหลาดมาสัใจใจที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนใจจะเบาจะเย็นใจจะสงบใจจะมีความสมมุขาก หากเราเจ็บป่วยเราทําสมาธิได้น้อยลงควรจะแก้ไขอย่างไรครับคือนี้าทาเจ็บป่วยมันไม่เป็นเหตุที่จะทำให้เราทําสมาธิได้น้อยลงเพราะการทําสมาธิเราไม่ได้ใช้ร่างกายนะเราใช้สตินั้นพยายามฝึกสติรักษาสติให้มีไว้ว่าถ้าเราสามารถทําสมาธิได้ในทุกกรณีไม่ว่าร่างกายจะแก่เจ็บตายก็ไม่ คำว่าญาติทั้งสี่ตระกูลหมายถึงญาติฝ่ายไหนอย่างไรครับอันนี้ไม่ใช่ต้องมายคหาในพระตายเปินตันั่งสมาธิทำให้จิตใจเข้มแข็งขึ้นได้ไหมครับแน่นอนใจที่สงบนี้จะเป็นใจที่นิ่งเฉยไม่เดือดร้อนไม่หวั่นไหวกับสิ่งต่างๆที่มากระทบกับจิตใจ มีคนคอมเมนต์ว่าวันนี้ได้มีโอกาสไปใส่บาทพระอาจารย์นะครับผมที่วัดในชนบุรีที่เจ้าวาดเทศสอนลักษณะที่ท่านหลุดพ้นแล้วเป็นพระอรหันต์ท่านเอาที่ดินที่ญาติโยมถวายมาแบ่งแปลงขายให้คนที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดโดยที่ดินยังอยู่ในเขตวัดเหมือนบริหารหมู่บ้านจัดสรรลูกศิษย์ใกล้ชิดเจ้าวาดพูดว่าคนไม่ค่อยมาทําบุญที่วัดนี้หรอกที่ผ่านมาเคยเห็นแต่วัดให้คนปฏิบัติธรรมอยู่กินฟรีและช่วยทํางาน เข้าแรกตอบแทนแต่ไม่ทราบเหตุการณ์นี้ในคื อ, อยังไงคือวัดต้องการเงินมากขนาด น, นั้นเลยหรือครับเคยรูแ้แต่ว่าถ้าครูบาจารย์เป็นพระอาหารหันจะไม่ตามักน้อยสันโดษครับอาจารย์ก็อันนี้ก็ไม่พูดย่งนเลย่ไหนั่งสมาธอานั่งอั น, นิีถามไปแล้วครับอาจารย์ขออนุญาตอาจารย์หาคำถามแป๊บครับอ๋อคุณหนุ่มน้อยครับ วันนี้ถามสองข้อนะครับข้อที่หนึ่งครับหลวงตาครับพระสูบบุหรี่ได้หรือเปล่าครับได้ไม่มีข้อห้ามในพระวินัย ไ, ไม่ได้ห้ามให้สูบบุหรี่เนื้อเนื้อเคี้ยวหมากชันหมากได้สูบบุหรี่ได้แต่แต่พระที่เคี้ยวหมากสูบบุหรี่นี้อจัดประมาณเท่านั้นเองว่ามันอยู่ในเขตที่ปลอดภยัยและไม่ปลอดภยัยก็ พอพวกนี้ถ้าบริโภคมันมากเกินไปมันก็อาจะอันตรายต่อชีวิตได้ไท่ก็ต้องรู้จักอรกมาณแต่ไม่ได้ทำให้ขาดสติมันสุรายางเล่าข้าเนี่ยไม่ห้ามเชื่อโกเรแล้วไม่เหมือนเมาเขียวหมากแลไม่เหมือนเมาสกับไม่สามารถครอบควบคุมการกระทําของตนเองได้ที่ห้ามสวราเพราะาสุราเดิมก็ทําให้เหมือนเมายิ่งสารอย่างหมือที่ที่ทําให้เกิดอาการเหมือนเมาก็ยิ่ต้องอยู่ใน้เข้าสุราเหมือนกัน เช่นเสพยาบ้าแล้วก็ไม่ส า, ม, ส า, ม, สามารถควบคุมสติของตนเองได้ก็ถือว่าห้ามอยู่ในข้อห้ามของสุรายา ม, มางหมืกันอ่าบุเรนี้มันไม่ได้ไปอยู่ในอยู่ในกลุ่มของสุราสู่บุเรนแล้วมันยังมีสติสมบัตใช้ยักเป็นปกตินะคิวมา ก, กเหมือนกันการสวดมนต์แบบแปรกับไม่แปลบุญจะได้ต่างกันหรือไม่ครับ ถ้าสวดแบบไม่แปลก็จะได้ดครื่อนเดียวก็คือได้ความสุบแต่ถ้าสวดบทที่แปลก็จะได้สองส่วนได้ความสงบแล้วก็ได้ปัญญาได้ความรู้ความเข้าใจบทที่สวดก็ราะเป็นบทชว น, นวนเสดยจจะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองหาพ่อแม่ไปโรงพยาบาลคลินิกบ่อยๆเห็นคนเกิดแก่ป่วยเจ็บและเสียชีวิตในที่สุดเห็นแบบนี้แล้วไม่อยากมาเกิดอีกเลย มันฝึกจิตใจยอย่างไรดีครับขอปัญญาจากพระอาจารย์ครับมันได้เอาฝึกสมาธิให้มากด้วยการเจริญสติให้มากก่อนจารัญสติทั้งวันเลยเราสามารถจเจริญสติได้นันตลอดวันไม่ว่าเราจะทําอะไรไม่ต้องมีเวลามานั่งสมาธิทำใหเรจเริญสติได้ส่วนเวลานั่งสมาธินี้เราต้องมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆเราก็มานั่งสมาธิในการนั่งสมาธิถ้าไม่มีสติเลยก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิด ก็ยากในเบื้องต้นพยาจัดระดสติให้าามากมางก่อนเราสามารถทําได้ตั้งแต่เราเรียนตาขึ้นมาเาียนตาขึ้นมาแล้วก็บ ร, ริกรรมพุโทโธพุทโธไปภายในใจแล้วเราก็ไปทําภารกิจต่างๆที่เราไม่ต้องใช้ความคิดเราก็พุโทโธพุโทโธไปค่อยสกัดกั้นความคิดยับยั้งไวให้ใจคิดไม่เปื่อยถ้าเรามีสติอย่างต่อเ น, นื่องเวลาเรานั่งสมาธิ ใ, ใจก็จะสงบได้ง่ายแน่ๆแ ล, แล้วพอเรามีความสงบแล้วใจเราก็จะวางเฉยได้ จะไม่ไม่ทุกกับการการเจ็บการแกการตายแต่อย่างใดฮิริโอต ป, ปะความเกรงกลัวต่อบาปผู้ถือศีนหน้าจะ ก, กลัวบาปโดยอัตโนมัติใช่ไหมครับก็ต้องถ้าเชื่อว่าถ้าตายไปแล้วต้องไปเป็นเกิดเป็นสัตว์ในรชารถ้าไม่อยากจะเป็นสัตว์ในร่ารก็ต้องกลัวเลยแต่ถ้าไม่เชื่อถ้าไม่ไม่ไม่รู้ มันก็ก็จะไม่กลัวคนที่ไม่กลัวเพราะเขาไม่เชื่อว่าเขาจะต้องไปเป็นสัเดรัจฉานครับเขาก็เลยไม่กลัวไปแต่คนที่เชื่อว่าตายไปแล้วจะต้องไปเป็นสัเดรัจฉานก็จะไม่กล้าทํบาปด้วยความหลงเขือไม่กล้าทำํำบาปเพื่อเลี้ยงชีพของตัวเองเป็นต้นคุณรัตนาคอมเมนต์บอกว่าชีวิตดีขึ้นปรุงได้มากขึ้นทีไ่ได้ฟังนะคะอาจารย์ครับแล้วที่มาเจอนี่คือเป้าหมาย ก็ให้ไปถึงวันนิพพานความทุน้อยลงก็แสดงว่าใกล้นิพพานเข้าไปมากขึ้น <c oughs> นะเคยเห็นพระขับรถแล้วรู้สึกว่าท่านควรจะมีคนขับรถให้ถามว่าพระขับรถเองผิดไหมครับสมัยก่อนไม่มีรถไทยเปิดภาพไม่ เห็นการกระทำของพระในสมัยนี้ถ้าพรกเตี้อาอย่างอยู่นี้่ก็คงจะมีพระวิวนัยพระเพื่นอนึงเยอะอีกหลายข้อด้วยกันเพราะเวลาชาวบ้านเห็นพระทำอะไรไม่ไม่ไม่ไม่บอกไม่ควรเขาก็จะไปแจ้งพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็จะเรียกว่าไต่สวนแลพิจารณาว่าไม่ควรทําก็จะเป็นหข้อห้าสมัยแราๆนี้พระพุทธศาสาานามไม่มีไม่มีข้อห้าของพระนะพราะยุคแรงๆนี้มีแต่พระอาหารหันต์มาบวชกันเท่าเอง แล้ท่านก็นบอกว่าตอน้างน่าเรื่องใสไม่มีใครชาวบ้าไม่บวชแต่ตามมาแล้วมีคนที่ย้อมเป็นคนปุถุชนมาบวชกันพอบวชไดก้ก็เริ่มาำอะไรที่มันชาวบ้าเห็นแล้วไม่ถูกก็ไปกาบถูกพอกาบทูลเสร็จพระเจาวินิจฉัยเสร็จก็พิจารณาว่าเาไม่ควร้ก็เลยตั้งข้อห้ามขึ้นมาจากข้อหนึ่งมาถึง227ข้อตอนที่ท่านนิพพาน ถ้่นอยู่ถึงตอนนี้อจะเป็นถึงสองพันข้อไปได้กําลังล้างมืออยู่เห็นสภาวะการล้างมือที่เกิดขึ้นก่อนคืออะไรครับคือมีสติไงมีสติอยู่ ก, การล้างมือใจไม่ลอยไปที่อื่นธรรมาดาเรามักจะทำสองอย่างล้างมือไปแล้วา จ, จะคิดถึงคนนั้นคนนี้นี้่ว่าเป็นอาการของการไม่มีสติ ถ้าเราอยู่กับการนัร่งโดยเดิมตอนนี้แสดงว่าเรามีสติไม่ไปคิดเรื่นั้นเรื่องนี้นี่คือการฝึกสติเมื่อเราฝึกสติได้แล้วเร า, เรานั่งสมาธิเราก็จะให้อยู่กับลมได้และอยู่กับพุโทโธได้เมื่อพออยู่กับลมและอยู่กับพุโทโธได้มันก็จะไม่คิดพอไม่คิดเลยจิตก็จะเนื่องเข้าสมาธิได้ยอยากกลับเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้ามีเพื่อนที่มีเล่นเหลี่ยม เราจะใช้หลักธรรมข้อไหนในการคบหาครับก็ให้ความเมตตาเขาสงสารเขาว่าคนที่ไม่รู้คุณธรรมความดีงามเป็นอย่างไรคือคนที่ยังอยู่ไปใต้ความหลคของโมหะมิชาคิดว่าไม่แน่เลยเพื่อจะได้ได้ประโยชน์นะครับเองประโยชน์ที่เขาได้ไม่กู้กับโทษที่เขาจะได้รับมา ก็คือความไม่เชื่อสัตวสุจริตความผิดไม่มีศีลธรรมนี่เควรจะสงสารเขามากกว่าเราจะขจัดความขี้เกียจได้อย่างไรครับในเบื้องต้นครับใช้ความพยายามในในเบื้องต้นที่เกียดแล้วก็ลุกขึ้นลุกขึ้นมาทําเลยที่เกียดทําเลยปัก็ ท, ทําทันทีใช้ความพยายาม ถ้ามีความพยายามแล้วต่อไปเราก็จะชนะความขี้เกียจด้ที่เราขี้เกียจเพราะเราไม่มีความพยายามมันเป็นเขตาต้มกันข้าวเลยแล้วเราใช้สิ่งที่ที่ที่ ท, ที่ต้มกันข้ามาแก้ปัญหากันจะได้ตรงประเด็นเลยถ้าขี้เกียจเราก็ต้องพยายามขี้เกียจกินข้าวเรากรีบกินข้าวเลยใช่ไหมขี้เกียจทํางานก็รีบทํางานเลย เราพูดคุยกับสัตว์เลี้ยงเช่นแมวสุนัขเป็นคำพูดเพิรเจอร์หรือเปล่าครับก็อันนี้ไม่อยากจะตอบมันเรื่องเรื่องไร้สาระมกเกินมันจะเพิร์เจอ cher, ไม่เพิร์เจอคุณก็ควรจะองอยู่ในใจมีโรคประจำตัวและดูเวทนาร่างกายทุกวันทำให้ปล่อยวางได้บางส่วนจากธรรมะแต่อีกส่วนยังมีความเป็นเรา ขอคําแนะนําพระอาจารย์ช่วยแนะนําหนทางด้วยครับโยมทําถูกหรือเปล่าครับก็ต้องพยายามพิจารณาแยากเราจากร่างกายให้ได้วิธียากเบื้องต้นก็จะยากโดยสมาธิเข้าสมาธิไปจิตสงบร่างกายก็หายไปจากจิตใจชั่วคราวก็จะรู้ว่าร่างกายกับจิตใจเป็นคนละส่วนแล้วก็จากสมาธิมาก็คอยเปตือนใจว่าร่างกายไม่ใช่เรานะร่างกายไม่ใช่ใจ ใจกับร่างกายเปนคนละส่วนกันร่งการเป็น น, น, นาย ใ, ใจไม่ต้องไปทุกข์ไปเดี๋ยว ต, mm hmm. ตอนก็ล้วฝึกทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้ปล่อยวางฝันเห็นคนที่เสียไปกลับมาขับรถอย่างนี้ถือว่าฝันดีไหมครับพระอาจารยข์ขอผ่านนะยรับเจอได้คถามน mm hmm. ี่เลยกลับไปถามพระอาจารย์ครับว่าในด้านทําธุรกิจ จำเป็นที่จะต้องมีไหวพริบและเล่ห์เหลี่ยมทางธุรกิจถึงจะมีผลกําไรถ้ามีความซื่อสัตย์จะมีผลกําไรน้อยหรือเปล่าคะพระอาจารย์คือการทำอะไรก็ตอมก็ใช้มีสติมีปัญญาอย่าใช้เล่ห์เหลี่ย ม, มเพราะเล่หเหล่ยมนี้เป็นเรื่องเรื่องของการทําบาปจึงต้องจะมีการใช้เล่ห์เหลี่ยมการทํางานเราทํางานด้วยความสุจริตเราก็ทำด้วยสติด้ปัญญาตามหลักของเหตุผลต่างๆ เราจะได้มากหรืน้อยอย่างน้อยเราก็ไม่ขาดทุนว่าเราจะไม่ได้ทํำบาปแล้วรายได้ที่เราได้มาก็จะเป็นรายได้ที่สะอาดโดยสุดมีกว่ามีเรื่องมีเหนี่มทําแล้วได้เงินมาเยอะก็ตามแต่มีมีโทษตามมาพระอาจารย์ทรงสอนว่าความสุขของคาระวะนี้มีอยู่สี่ข้อด้วยกันคือหนึ่งการมีทรัพย์เื่องการได้ทรัพย์ข้อสอง การได้ใช้ทรัพย์ได้เงินมาแล้วก็ต้องใช้ข้อสามการไม่มีหนี้ข้อสี่คือการกระทําที่ไม่เกิดโทษการหาทรัพย์ก็ดีการใช้ทรัพย์ก็ดีก็อย่าทำให้อย่าไปทำํทำในทางที่ทําให้เกิดโทษขึ้นมามีซรัพย์แล้วใช้ทรัพย์แต่ทำที่ผิดก็ได้เอาทรัพย์ไปซื้อพวกยาเสพติดนะเสพอย่างเงี้ยเอาทรัพย์ไปเล่นการกันตันอย่างเงี้ย มีการใช้ทรา์ที่ทําให้เกิดโทษขึ้นมาได้การหาทัพบ์ก็อย่าไปหาด้วยการที่ผิดกฎหมาให้ผิดศีลธรรมเพราะมันจะมีโทษตามมาอนีการกระทำที่ไม่มีโทษนี้เป็นความสุขของคารวะข้อหนึ่งหนึ่งในสี่ข้อแล้วเราทําอะไรแล้วก็ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตอย่าไปเห็นจะได้มันได้ไม่กุ้เสีย เพรทษเยตามมานี้มันสาหัสเวลาตายไปถ้าไปไปอยู่ในอาบายนี่มันสารัสช่อยู่แบบยากจนในขณะที่เรามีชีวิตอยู่แต่เวลาตายไปแล้วไปสวรรค์ดีกว่าอย่างนั้วไ ม, ไม่ไม่ไปอาบายดีกว่า ค, คนเรามองไม่เห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราตายไปแล้ ว, วก็มันพะวงกับเรื่องการหาหาเงินหาทรัพย์ในปัจจุบันนี้เท่นั้นเองแล้วไม่คํานึงถึงวิธีการหารเงิน ซึ่งมันก็พูดบบอ ๆ, ๆั่เริ่มต้นแล้วน่นวนคนที่ไม่เชื่อว่ามีมีคนจากกายกระทาบาปตามมาก็เลยจะทำใช้เล่ห์เหลี่ยมแบบนี้ในทางธุรกิจต่างๆบิกการียนถามพระอาจารย์ครับว่าคำว่าปฏิจจสมุปบาทคืออะไรครับคือเป็นการแผนทางการการดำเนินการของกินเลนส่ยกินเลสจะเริ่มต้นที่ใจก็จสั่งใจให้คิด ไปหาลาภยสรรเสริญพอสั่งสั่งแล้วใจก็ความคิดก็จะส่งไปที่ผู้ที่รับช่วงต่อก็คือวิญญาณวิญญาณก็จะไปเชื่อมต่อกับร่างกายเพราะการจะหาราบยสารเส ร, ริญสุงได้ต้องมีร่างกายเปนเครื่องมือจิตก็จส่งกระแสวิญญาณไปเกาะที่ตาหรือจมูกหรือกายก็คือไปเกิดไปตัดปฏิสนธิหน้าบอกให้ร่างกายจะเริ่มเติบโตขึ้นมา ก็ใช้ตาหูจมูกเน้นการไปเสพรูปเสียงกลิ่นมนพอเน้รูปเสียงกลิ่นแล้วก็จะเกิดเวทนาขึ้นมาเ ก, เกิดสุกก็เวทนาขึ้นมาก็อยากก็จะเกิดตัณหาความอยากตามมาเมื่อเห็นรูปที่ทําให้เราสึกแล้วก็อยากจะได้รูปนั้นมันเป็นสมบัติของเราพอได้มานั้นก็เกิดอุปทานความยึดความยึดติดกับสิ่งที่เราได้มาเมื่อพอเราตายไปมันก็ทําให้เราไปเกิดใหม่เป็น ไปไปสร้างภาวะใหม่ขึ้นมาไปสร้างภพใหม่ขึ้นมาตรงนี้ไปสร้างภพใหม่ก็ต้องไปเกิดใหม่แล้วก็จะเมื่อเกิดก็จะมีความแจ็ความเจ็บความตายตามมาต่อไปนี่คือแผนฐานการดําเนินการของของกิเลตานาะที่มันร้ายระบาดเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จักจบจากสิน้นกำหนดพุดโทโธจะเห็นท้องพองยุบด้วย จะกหนดอย่างไรดีครับและจะรู้ได้อย่างไรว่ากรรมฐานใดเหมาะกับเราครับก็ลองทำดูเสียให้อ่านเรื่องอย่างใดอย่างหนึ่งจะดูท้องก็ได้จะดูที่ปลายจมูกก็ได้แต่อย่าดูทั้งสองอย่างหรือหรืออย่างาพุทโธกับการดูลมก็ได้พุทเข้าเพราะวัยยุคถ้าเข้ายุคหนอนทองหนอนก็จะไม่ใช่พุทโธถ้าเวลา หายใจออกท้องยุกเขาเรียวยุกยุกเนาเวลาหายใจเข้าท้องผองขึ้นหมอเก็เรียกว่าพองเนาะแต่ถ้าดูลมหายใจเข้านี่เขาจะใช้พุทธถูกกับกับหายใจเข้าว่าบว่าพุทหายใจออกเข า, เาว่าโถูกก็เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้อย่างใดที่เราถนันรเราถูกเจริญสองดังแต่ความจริงมันไม่ได้อยู่ที่การถูกเจริญเพียงอย่างเดียวตัวที่ทําให้เกิดผลขึ้นมานี่ตัวสําคัญก็คือสติมากามาก เห็นไหเราจะมีมีมีความเหมาะกับวิธีใดวิธีหนึ่งแต่ถ้าเราไม่มีสติมันก็จะไม่เกิดผลขึ้นมาเห็นต้องคำนึงถึงสติด้วยอย่าไปคำนึงแต่ถึงแต่วิธีเพียงอย่างเดียววิธีอาจจะเหมาะแต่ถ้าไม่มีสติก็ไม่เกิดผลอยู่ดี พระอาจารย์ครับแต่ถ้าใช้ยุบหนอพองหนอนี้ผลสุดท้ายถ้ามีสติมันก็จะเข้าสู่ความสงบที่เหมือนกันเลยใช่ไหมครับอาจารย์คือเราไม่เคยปฏิบัติทางนี้แต่ก็ปฏิบัติกันก็เลยไม่เป็นติเส้นส่วนใหญ่เราจะใช้นมดูลมหายใจที่จะใช้พุทโธก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ส่วนใหญ่เราจะไม่ใช้พุทโธเรจะนิง่งลมเฉยๆดูที่ปจายสงบรั้เขา้ารู้วออกแค่นี้พอรั้วเข้ารั้วออกอ พระอริยะบุคคลจาเป็นที่จะต้องนั่งสมาธิไหมครับถ้าไม่นั่งสมาธิหรือว่านั่งไม่บ่อยไม่นานจะสามารถเป็นพระอริยะบุคคลได้ไหมครับคือสมาธินี่มันเป็นฐานของการปฏิบัติจิตเราต้องมีความสุขก่อนเราถึงจะสามารถไปต่อสู้กับกีเลตตตัญหาต่างๆที่มคอยหลอกล่าให้เราไปหาความสุขจากภายนอกจิตเนื่อาเรามีความสุขภายในจิตแล้ว กิเลสทันหะก็จะไม่สามารถมาล่าเราให้ไปหาความสุขจากจากสิ่งภายนอกใจกเรกได้เราก็จะสามารถชนะ ก, กิเลสได้ถ้าใจเราไม่มีความสุขในใจเนี้พอี่เลสมันชวนว่ไปหาความสุขนอกบ้า น, นาให้ไปทันทีเลยนอกใจให้ไปทันทีเหมือนเหมือนคนที่ครอบครัวนะ่ะถ้าครอบครัวอยู่คนที่มีครอบครัวอยู่บ้านยังมีความสุขนี่นะเพาื่อนฝูงเาชวนไปเทีเ่ยวก็ไม่ไปใช่ไหมอยู่อยู่กับครอบครัวมีความสุขกว่า แต่ถ้าอยู่บ้านแล้วไมมีความสุขไม่แต่เรื่องทะเลาะเบาแหวงกันมีแต่เรื่องมีปัญหาอะไรพอเพื่อนมนชวนไปเที่ยวหน่อยไปเลยใช่ไหมนั <Okay. S 1> ่นแหละสมาธิก็แบบนั้นทําบ้านของเราทําใจของเราให้มีความสุขก่อนพอใจเรามีความสุขแล้วเราก็จะจะไม่หลงไปกับการเชื้อชิญของความอยากต่างๆเพราะเราจะเห็นด้วยปัญญาว่าความสุขที่เราได้นอกใจนี้เท่ความสุขที่ในใจเราไม่ได้ เราะความสมในใจนี้มันยังย่งยืตาวรแต่ความสูงที่อยู่ในใจมันเป็นเป็นชั่วข่าวเป็นอ น, นิจจังทุกขงังนะตาเราก็จะเปลี่ยนวิธีหาความสุขเลิกหาความสุขจากสิ่งภายนอกหาความสุขจากสิ่งภายในด้วยการทําใจให้สงบเพียนี้ดับความอยากพอดับความอยากได้ ใ, ใจที่วุ่นวายก็จะสงบลงทันที ยิ่งทำบุญยิ่งสวดมนต์ชีวิตยิ่งดีอย่างนี้จริงไหมครับเจ้ากรรมในเวรจะน้อยลงไหมครับชีวิตที่ดีนี่หมายถึท่ทานมายถึงจิตใจดีแต่ถ้าร่างกายเรื่องน ห, าานนหน้าเรื่องสารเสืส่วนี้ไม่แน่นอนมันไม่เกี่ยวกันเพราะเหตุใดคนส่วนมากถึงไม่มีความจริงใจต่ อ, อกันครับเพราะกีเลสไงกเนันจะเาจริงใจตัวเองเป็นหัก เอาใจตัวเองเป็นหลักไม่ไม่เอาใจคนอื่นถ้าจะเอาใจคนอื่นก็ระวังผลประโยชน์จากคนอื่นเท่านั้นถึงจะเอาใจเขาพอเขาไม่มีผลประโยชน์ให้เราแล้วเราก็ไม่เอาจากเขาอะไใช่ไหมเสียเวลาได้ยินมาให้เรามีชีวิตเหนือเหตุเหนือผลเหนือบุญเหนือบาปอยากกราบอาจารย์อธิบายว่าเราต้องใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันแบบนี้หรือครับ ไม่รู้การพูดอย่างนี้ก็มไม่รู้เนะไม่อยากจะตอบจะไปถามคนนี้ก็พูดกันเป็นยังไงอดีตเคยสวดมนต์บ่อยครับแต่ปัจจุบันทําไมขี้เกียจจังเลยครับนี้เพราะว่ามันนะเพราะว่ามันไม่ได้ผลไงถ้ามันได้ผลมันมีความสุขจากการกระทำมันก็จะติดเราทำไปแล้วมไม่เกิดผลมันก็เลยไม่ติดมันก็เลยเลก็ หมายก็อยากมีศรัทธายอยากจะลองทำหนึ่งทำไปทำมาสักระยะหนึ่งไม่เกิดผลเลยไม่มีอะไรดุดดึงใจเลยก็เลยเลิกไปชอบคิดพุดโทโธตลอดทั้งวันที่จิตระลึกขึ้นมาได้ฝึกจนเคยชินทำแบบนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องแต่ควรจะทำต่ อ, ค, อคือควรจะพุโทโธที่เราคิดอยู่ทั้งวันนี้ไปนั่งสมาธิต่อเพื่อทำใจให้เนี่ยงให้สงบ ทันจรตและสติอย่างเดียวยังเป็นยังไม่พอเพียงเป็นเป็นขั้นตอนแรก ข, ของการที่จะทำใจให้สงบพอเรามีพูดโททั้งวันได้รับต่อไปก็นั่งหับตาถ้าเราเิ่พุดโทโดยที่ไมใ่ให้ไปคิดอะไรแล้วใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้แล้วจะเกิดความสุขขึ้นมาที่เป็นความสุขแมหาจักรใจ อโอกาสครับการนั่งสมาธิคนที่ฝึกสติมาดีแล้วนั่งปุ๊บจะสงบเลยไหมครับเพราะทุกวันนิยมนั่งก็วนอยู่กับลมหายใจพอเพลินไปก็ดึงกลับมาที่ลมหลายปีมาแล้วรู้สึกว่าไม่ไปไหนเลยครับใช่คนที่มีสติ ด, ด, ด, ดีนั่งสมาธิ5นาทีจิตก็ลมจิดก็ดกนิ่งสงบไม่ต้องทอะไร ฝึกให้ใจเย็นมีเมตตาอย่างไรครับอยู่กับคุณแม่คือคนแก่ที่น้อยใจเก่งจนเราลาคาญพูดแต่เรื่องนินทาให้เราฟังครับก็ต้องฝึกสมาธิก่อนให้จิตเรามีวิเวคาก่อนเพรอจิตเรามีวิเวคาแล้วเราก็จะมีความเมตตายังถ้ายังไม่มีวิเวคานี้จะยากที่จะทําให้เรามีความเมตตากับผู้อื่นนะเพราใจเร า, มมาอย่างุ่นวายอยู่ถ้าใจาเราสมดงเร่งเร็วมีความสุขแล้วเราก็จะมี ความเมตตาเราสามารถให้ความสุขกับผู้อื่นได้ยิอ่อฝึกสมาธิให้มากๆให้มีความสงบให้มีคครูปแบบข้ารับนบิณฑบามพระอาจารย์ครับว่าการพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เฉพาะแต่ร่างกายได้หรือไม่อย่างไรครับท่านพระอาจารย์ครับได้ทุกอย่างเป็นอย่างนั้นการพิจารณาเพื่อตัดความอยากต่างๆในทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ให้เราไปเพื่อสิ่งต่ตางๆมาให้ความสุขของเราเพาสิ่งต่ตางๆที่เราคิดว่าให้ความสุขกับเราเนมันเป็นของไม่เที่ยงมั็นของชั่วคราวมันจะต้องมีการดับไปได้มันเปลี่ยนไ่ได้เพอมันดับแล้วมันเปลี่ยนไปมันก็จะทำให้เราทุกกันมาทันทีอาณาปานาสติกับการดูจิตต่างกันอย่างไรครับได้ยินแต่ไม่เคยเข้าใจครับอ๋ออาณาปานะคือลมเข้าลมออกเนีย สติ ก, ก็คือการดูหรือเราเลิกนึกให้เราดูลมหมายใจเข้าออแล้วนี้เป็นการฝึกสมาธิการดูจิตนี่ในขั้นนิพพ ส, สนาโดยหลังจากถ้าเรามีสมาธิแล้วเราก็ไปพิจารณาจิตแต่ก่อนจะไปถึงขั้นจิตได้เราก็ต้องผ่านขั้นร่างกายก่อนเราต้องดูร่างกายพิจารณาร่างกายพิจารณาเวทนาว่าเป็นตายรักก่อนเราปล่อยวางร่างกายให้ได้ก่อน ปล่อยางวิะให้ได้ก่อนถ้าเราปล่อยได้แล้วนี้เราถึงจะเข้าไปดูจิตได้ทีเพราะจิตละเอียดกว่าร่างกายละเอียดกว่าเวทนาถ้าจิตถ้าปัญญาเรายังไม่ผ่านขั้นร่นางกายผ่านขั้นเวทนาได้จะไปดูจิตได้ดูดูไม่ได้นี่ก็จะพูดดูจิตนี่แสดงว่าเขาเป็นระดับผ้านาคาเมีขึ้นไปแล้วถึงจะดูจิตอย่างเดียวก็ เ, เวลาสังโยชน์ที่เหลืออยู่มีค่าก็ แต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นได้เราควรมาสายยัยญอด้านข้อแรกก่อนคือเป็นพัสดาร์มากนเป็นพัสดสกิดาคาเป็นพะะัน า, านนาคาเมก่อนเมอเมื่อปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางเมตนานด้ทีนี้ค่อยไปดูจิตอีกทีเมื่อปล่อยวางจิตกลางดับต่อไปเคยสงสัยครับว่าจเจริญสมถะแล้วเมื่อไหร่ถึงจะเดินปัญญาแล้วฝันเห็นหลวงตามหาบัวมาบอกให้ทําต่อไปครับอาจารย์ ให้มันได้สมาถะก่อนอย่าไปกังวลเรื่องปัญญาเลบางองค์นี้บางคนที่อ่ากจะได้สมาถะนี่ใช้เวลาเป็นปีนหลายปีนี่ไงถึงแม้ว่าจะจ ะ, จะมีปรั ส, สนามันก็เป็นมีปัจจัยนืสมาบัติมาพิจารณาเนื้คิดไปแต่เรายังไม่มีกําลังที่จะไปหยุดความอยากที่เราได้พิจารณาจากปัญญาว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราเอง ถ้าเรายัางไม่มีสมรรถนะไม่มีสลาที่เราจะไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากได้เราจะทราบได้อย่างไรว่าความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดที่เกิดขึ้นเกิดจากการปฏิบัติไม่ใช่ความเบื่อหน่ายแบบโรคซึมเศร้าเพราะป่วยนานจิตมันต่างกันอย่างไรครับรู้เองสัญชิติโกพู้ ง, ง่งไงนปฏิบัติไปถ้าจิตสงบมันก็จะเห็นความแตก แปลกที่ไม่ไมเคยเห็นมาก่อนจิต ท, ที่วุ่นวายกับจิต ท, ที่สงบนี่มันแบนนั้นคนเราเลิกกันในเวลาที่เราอยู่ข้างนอกบ้านมันร้อนอากาศร้อนอเวลาเข้าไปในห้องกับอากาศนี่มันเย็นมันจะรู้สึกความแตกต่างกันได้อย่างชัดเจนการดูกายและการดูลมได้ผลต่างกันไหมครับ คือถ้าดูการดูลมเพื่อเจริญสตินี้ก็ไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าอาการดูลมนี้จะเบาต่อเวลาที่เรานั่งเฉยๆแต่ถ้าเรามีการเคลื่อนไหวมีการกระทําอะไรต่างๆก็ให้ดูล่างกายไปก่อนอันนี้เป็นการดูดูดูการดูลมเพื่อเจารญสติสร้างสติเพื่อฉะนั้นงนามันไปสู่การนั่งสมาธิถ้าจะนั่งสมาธิก็ดูสมาธิใจเข้าถ้ายังไม่ได้นั่งสมาธิยังมีการเคลื่อนไหวอยู่ ก็ดูร่างดูล่างกายไปเป็นการเจริญสติไปก่อนตักบาทกับพระทุศีลเช่นจับเงินจับทองใช้จ่ายเหมือนญาติโยมอย่างนี้เราได้บุญด้วยไหมครับได้เหรอให้ขอทานเลยได้บุญเลยไม่เกี่ยวกับไม่ไม่เกี่ยวคนที่เราให้ว่าเขาดีนึอเชื่อการให้นี่อยู่ที่การเสียสละแบ่งปันของเรา เราชนะความยึ ด, ย, ดยึดมันถือมันในทรัพย์สินวัตถุ ข, ของเงินทองของเราเท่านนเองเพราเราปล่อยหน้าจเราก็มีความสุขขึ้นมาหรืว่าจะให้ใครก็ได้หรือว่าจะเอาไปเผาทิ้งก็ได้เ อ, เ, อเอาเอาเอาเงนมาเผาไปก็ได้ก็ตัดความยึดติดกันได้อันนี้ก็ได้บุญเหมือนกันน่ามีความสุขมากใครทุกข์กับเงินก้อนนี้ไม่รูจะไปทำอะไรดีเอาไปเผามันทิ้งไปเลยเลยเผาแล้วใจโล่งใจสบาย แต่อย่าทำนะนะอาจจะผิดกฎหมายเอาไปทำประโยชน์ดีกว่าแต่นี้พูดเพลงพูดเปรียบเทียบให้ฟังการทำลายความยดติในทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองของใจเราทั่าน้เองจะทำแบบไหนก็ได้พอทำแล้วมันจะทำให้ใจเราเบาเบาย็นสบายในความสุขอันนี้แหละเอาเนื้อข้อมูลทีบบ่เคยเห็นเหมือนหลวงปู่แหวนเอาเอากระดาษ<อ> ม, <า S 1> ม้วนโมเดลเออครับแล้วท่า น, นก็ไปแค่กระดาษเท่านี้ ครับมดเข้าบ้านจําเป็นต้องฆ่ามดอย่างนี้บาปมากไหมครับก็คิดว่าต่อไปเราก็ต้องไปเกิดเป็นมดให้เขาฆ่าอยากจะเป็นมดไหมล่ะโยมเหลือเวลาอยู่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นสุดท้ายของชีวิตเวลาที่เหลือควรปฏิบัติด้านใดดีครับก็สติสมาธิปัญญาเ น, นี้ถ้าทําได้ อาจจะบรรลุธรรมก็ได้ถ้าสามารถปฏิบัติทำสามขั้นนี้ได้กิเลสกามารมไม่มีวิธีตัดแก้ให้หมดไปไหมครับก็เรื่อการปฏิบัติสติสมาธิปัญญาเนี่ยจะตัดกิเลสตัดได้อะไรอารมณ์ต่างให้หมดประจักษ์ใจได้อันนี้น่าจะพี่ปู่เป้นะครับอาจารย์บอกว่าของดีที่สัมผัสได้จริงร่างกายพังแต่ใจไม่พัง ของดีที่ได้จากการลุยปฏิบัติธรรมถึงจะผ่าตัดร่างกายมากแต่ไม่ทําให้ใจมีปัญหารครับ้างปฏิบัติอย่างนี้จะชิดจิตโกผลของการปฏิบัติว่าเป็นอย่างไรการเป็นถามในเมื่อเรามีแต่จิตไม่มีร่างกายจะมีความรู้สึกสุขหรือเจ็บปวดได้อย่างไรครับตอนที่เวลาคุณนอนหลับนี่ยตอนนั้นคุณนอนตอนนั้นก็มีแต่จิตไม่มีร่างกาย ก็จะรู้สึกสุขหรทุกจากบุญจากจา ก, จากความฝันที่เราฝันแล้วความฝันก็เกิดจากบุญหรือบาป ท, ที่เราทําไว้นั่นเองถ้าเราฝันดีเราก็เป็นบุญบุญเป็นผู้ทําให้เกิดให้เราฝันดีถ้าเราฝันได้ก็เป็น บ, บาปทําให้เราฝันน้อเราก็จะมีสุขมีทุกข์จากความฝันดีฝันน้อยในขณะที่เราไม่มีร่างกาย ตั้งเวลานั่งสมาธิพอครบกําหนดจะออกจากสมาธิเพื่อกราบพระแต่ร่างกายไม่ยอมทําตามที่สมองคิดต้องรอสักระยะหนึ่งถึงจะทําได้ครับอาจารย์คืออะไรครับก็เป็นธรรมดาร่างกายเวลาบางทีมันอยู่ในท่าไหนธรรมดมันก็จะต้องใช้เวลาให้มันปรับก่อนถ้าเราพูดโกหกเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายโมโห ห, หรือเสียใจเป็นการผิดศีลข้อสี่แล้ว เป็นบาปหรือเปล่าครับในเมื่อเราไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีและไม่ทําให้อีกฝ่ายเดือดร้อนถ้าเป็นบาปทําไมถึงเป็นบาปครับเพราะโกโหกก็งี้ใครอยากให้ถูกโกหกบ้างพระอาจารย์เคยแสดงว่าทำว่าบอกว่าจิตอยู่ในโลกทิพย์คืออย่างไรครับขอความรู้ความกระจ่างครับอาจารย์ก็เหมือนกับเอ ยาเราวกาศที่เขาส่งไปสํารวจดาวอังคารนี้กับคนที่ควบคุมยาณราวการนี้อยู่คนละที่นนะแต่สามารถสื่อสารกันได้สามารถสั่นยาเราวาการถ่ายภาพได้บันทึกเสียงได้แล้วยาณราวกาศก็สามารถส่งข้อมูลกลับมาคนกับผู้ที่อยู่บนโลกนี้ได้จิตกับร่างกายก็เหมือนกันอยู่คนละโลกร่างกายนี้อยู่ในโลก โลกของโลกธาตุเรีว่าโลกกธาตุโลกที่เราอยู่วันนี้ที่ร่างกายอยู่นี้เรียกโลกกธาตุว่าเป็นเป็นธาตุที่เราทํามาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟส่วนจิตนี้อยู่ในโลกทิพเพราะจิตนี้เป็นกายทิพย์ไม่มีรูปร่างหน้าตาเป็นธาตุรู้ธาตุรู้นี้อยู่ในโลกกธาตุสี่ดินน้ํามไฟแต่สามารถติดต่อกันได้ด้วยการส่งกระแสของวิญญาณมาก่อที่ตาของจมูกมื อ, มอกายของร่างกาย แล้วก็ใช้กระแสความคิดสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆร่างกายก็จะส่งรูปเสียงเก่งลดข้อมูลต่างๆกลับไปที่ใจผ่านทางกระแสของวิญญาณนี่ก็คือการเป็นการสื่อสารแบบไร้สายระหว่างใจกับใจกับร่างกายเหมือนกับโทรศัพท์มือถือสองเครื่องที่สามารถสื่อสารกันได้ติดต่อกันได้แต่ไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันอย่างด้นนี้คุณบอกว่าเรเอานี้อยู่ในต้นอยู่ในจอนจคอมพิวเตอร์อันเดียวกันเยนี้ย แต่ความจริงแล้วร่างกายของเรานี้อยู่คนละอยู่คนละที่กันน่อยอยู่พิเศษนู่นอยู่ที่ชนบุรี<ำ>ถ้าแบบนี้นะใจกับร่างกายไม่ได้อยู่ด้วยกันใ ช, ใช้การสื่อสารแบบไร้สายสังการพระอาจารย์ครับคําถามที่แล้วที่บอกว่าพอตัวแข็งตอนจะออกจากสมาธิครับเขาบอกว่าพอคลายจากนั้นแล้วมีอาการตกใจกลัวอย่างนี้เราจะต้องทําอย่างไรดีครับเพราะเราหลงเนี่ยเรากลัวไปเอง ไม่มีอะไรก็เป็นเรื่องของการปรับตัวของร่างกายร่างกายมันอยู่ในเรียบบทที่ไหนนานๆมันก็จะจะยืดเส้นยืดสายทีมันก็ต้องใช้เวลาให้มันผอนคลายก่อนแล้วค่อยๆขยับค่อยๆเนื่องมาออกมาทีนัง น, นิดเทียวหน่อยต่อไปมันก็กลับมาเป็นปกติเป็นธรรมาชาติของร่างกายที่เป็นอย่างนี้ ถ้าฆ่าไก่แล้วนําไปทําอาหารใส่บาตรพระพิสุสงฆ์จะไม่ได้บุญใช่ไหมครับบุญได้อยู่แต่แล้วก็ได้บาตด้วยแต่ถ้าไปบอกพระว่าผมฆ่าไก่ไี้มาเพื่อถวายท่านโดยตรงนี้ท่านก็จะขอปฏิเสธไม่รับได้เพราะไม่ส่งเสริมให้คนฆ่าเพื่อมาทําบุญกับท่านแต่ถ้าเป็นของที่มันตายแล้วไม่ได้มีเจตนาที่จะทํา ที่เราฆ่าเพื่เอามาใส่บาตรนี้ก็จะไม่บาตรแต่ถ้ามีเจตนาจะฆ่าแล้วเอาของที่เราฆ่านี้มาทำบุญใส่บาตรก็จะ ไ, ได้บุญแต่ก็จะได้บาปด้วยคนละเรื่องก็นคนละกระทงกันถ้าร่างกายป่วยมีเวทนาไม่สามารถดูลมหรือดูกายได้แต่หูไม่ดับฟังธรรมะจนถึงวาระสุดท้ายแทนอย่างนี้จะได้ไปดีไหมครับ จะดีไม่ดีมันอยู่ที่บุญที่บาปแล้วได้กขาทําทไว้ก่อนหน้านี้ไม่ใช่อยู่ที่ตอนที่เราตายตอนที่เราตายถ้าเราตายสงบเราก็ตายแบบสบายถ้าเราตายแบบไม่สบุบเราก็ตายแบบทุกข์เท่านั้นเองวิธีการตายมันมีตายแบบทุขก็ได้ตายแบบทุกข์ก็ได้แต่ผลที่จะก่อนให้เราไปดีแล้วไม่ดีนี้มันอยู่ที่อยู่ที่บุญที่บาปที่เราทำว่าไหนมีกำลังมากกว่ากันถ้าบาปมีกำลังมากกว่ากัน เราก็จะไปไปไม่ดีถ้าบุญมีมากกว่าบาปกำลังมากกว่าบาปบุญก็จะพาให้ไปเกิดในที่ดีมันอยู่ที่บุญที่แบบที่เราได้สะสมมาตลอดชีวิตไม่ได้อยู่ที่วาระสุดท้ายของจิตนะว่าเราทำจิตได้หนึ่งสมบัติเราจะไปดีเสมอไปการที่เรานอนภาวนาบบบไม่รับ ไม่บาปหรอก<า>เพราะวมันไม่ได้ไปทํำร้ายก็ไม่ได้เป็นผิดศีอะไรพิธารการนอนภาวนามันจะไม่ค่อยได้ผลมันจะหลับสีมากกว่าพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอราหันตุทุกองค์จะสามารถทราบได้เห็นได้ทุกองไหมครับเกี่ยวกับนรกสวรรค์ชาติก่อนชาติหน้าครับได้แดั่นอนตั้งแต่โสดาบันนี้เกิดไปถ้ามีดวงตาเห็นธรรมเห็นจิตอย่าง เห็นจิตเห็นงานกระทํำของจิตเห็นผลที่เกิดจากการกระทําของจิตท่านก็รู้ว่านรกสวรรค์เป็นอย่างไรมันไปอยู่ที่จิตเราเนี้ยเราทํำบาปจิตเราทุกนี่มันแสดงว่าจิตเราเป็นเป็นนรกขึ้นมาแล้วเป็นระบายขึ้นมาแล้วเราทำบุญแล้วจิตเอาไป่คา่ำศพแล้วก็ราจิตเราไปสวรรค์เป็นสวรรค์ขึ้นมาอันนี้จเห็นได้อย่างชัดเจนว่างสว่างทําไมถึงเฉยเบื่อไปทุกอย่างครับ เพราะยังไม่ว่างจริงไม่สว่างจริงถ้าว่างจริงสว่างจริงังไม่เหลือจะมีความสุขมากขอเคล็ดลับพระอาจารย์ครับในการทำสมาธิบางวันเข้าสมาธิได้เร็วและสงบมากบางวันจิตก็วิ่งวุ่นวายต้องดึงสติกลับมาเรื่อยๆครับก็อยู่ที่กำลังของสติของเราในวันนั้นนะในสติเรามีมากเราก็จะเข้าสมาธิได้ง่าย วันไนสมาธิมีน้อยก็จะเข้าได้ยากแล้วสังเกตดูวันไะหนที่เรานั่งสมาธิได้ผลดีเราก่อนจะเลิกเราเราเราเราสังเกตว่าเรานี่นั่งแบบไหนยอย่างไแล้วจดจำวิธีนั่งไว้คาหน้าเวลามันมนั่งก็ทําแบบแบบวิธีนี้เราก็จะเข้าสู่ความสงได้เหมือนเดิมแต่ถ้าทําไม่ได้สแสดงว่าสติเราไม่ของของวันนี้ไม่เหมือนกับของวันที่เราเราได้ในคราวก่อน เราก็ต้องมาพยายามฝึกสติให้มากขึ้นเพ ร, ราะสติเรายังรุ่นรุ่นโดนๆดนอยู่วันก็มีสติมากมวันก็มีสติน้อยได้ น, นี่เป็นปกติของผู้ปฏิบัติใหม่ๆยังไม่สม่ำเสมอแต่ถ้าฝึกไปเรื่อยๆการเจริญสติมันก็จะเข้าสู่ความชำนาญมากขึ้นมากขึ้นสติก็จะมั่นคงมากขึ้นสถียบมากขึ้นมาปฏิการเข้าสมาธินีก่ก็จะง่ายขึ้น วิปัสสนาเริ่มดูอย่างไรครับดูความไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยตอนนี้เรามีอะไรเนี่ยมีแฟนก็ดูว่าเขาไม่เทีย่ยงมันแด่วันหนึ่งเขาอาจจะต้องจากเราไปพอเขาจากเราไปก็จะทาให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อยากไปยึดไปติดเขาอย่าไปถือว่าเขาเป็นของเราเพราบที่จะให้เขาจากออกไปนะก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราคิดว่าก็ต้องอยู่ของเราเป็นของเราไปตลอด เราก็จะทุกเวลาที่เขาจากออกไปนะภิจารณีของที่เรามีอยู่ก่อนรอบตัวเราเนี่ยทรัพย์สมบัติครอบของเงินทางลอยสันลอยวนันสามีภรรยาบุตรธิดาบุคคลต่างๆที่เราเกี่ยวข้องด้วยนี้นพิจารณาเป็นของไม่เทียมให้เหมือนกันห ม, นมดมีการเมดับมีการคลาดพลาดจากการเป็นธรรมนาลอยู่ซิว่าเราสามารถสอนใจให้ไม่ทุกข์กับเหตุการณ์เหล่านี้ได้ไหมถ้ายังทุกข์อยู่แสดงว่าเรายังไม่มีปัญญา ถ้าเราทําใจได้เราก็จะไม่ทุกเราก็แสดงว่าเรามีปัญญาเรายอมรับความจริงได้ยอมรับความจริงกับว่านิจจ์ได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาต้องเกิดขึ้นกับทุกคนขออุบายการทําใจให้ยอมรับความเป็นจริงได้ง่ายครับก็ดูบ่อยๆดูความจริงบ่อยๆมันมันดูตอนเวลามันก็จะมันก็จะฝืนความจริงไม่ได้ที่ที่ไม่ยอมรับความจริงเพาไม่ดูมันบ่อยๆ พอถึงเวลาความจริงมาปรากฏให้เห็นมันก็ได้รับให้ได้อย่าถ้าเราดูบ่อยบ่อยไม่ดูไปไปโรงพยาบาลบ่อยบ่อพวกคุณหมอเนี่ยจะจะทำใจได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ได้อยู่โรงพยาบาลนพราะที่โรงพยาบาลนี้จะเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายบ่อยบ่อยแล้วถ้านึกเอาว่าพิจารณานสอนใจมันก็จะทําให้ยอมรับได้ต่อไปธรรมะ อ๋อนี่คอมเมนต์เฉยครับขอสอบถามพระอาจารย์ครับถ้าเราเป็นหมอรักษาคนแล้วเราคิดว่าวิธีการรักษานั้นดีกับคนไข้แต่ปรากฏว่าไม่ดีอย่างที่คิดทําให้คนไข้ได้รับความทุกข์แบบนี้เราจะบาปไหมครับไม่บาปถ้ามีเจตนาที่จะไปทไําร้ายเขาเราเป็นเจตนาดีเราต้องการจะช่วยหรือว่ารักษาเขาแต่กา็การผิดพลาดได้คือการวิเคราะห์อของเราก็อาจจะผิดได้ ดังนัน้นคนจะมีหมอคนหนึ่งมาช่วยปรึกษาด้วยกันก่อนจะเป็นคณะแพทย์เวลาเขาจะรักษาใครยิ่งคนุคนสําคัญลำกันนี้เขาไม่ปล่อยให้แพทยคนเดียวเป็นคนตัดสินใจนะต้องมีคณะแพทย์มาช่วยกันมิได้ใช้จะได้รอบอคอคําภาวนามีหลากหลายมากจนโยมไม่แน่ใจว่าจะใช้คําไหนดีสุดท้ายเลยใช้พุโทโธธรโมสังโฆ ขอพระอาจารย์ช่วยเสริมคําภาวนาด้วยครับได้มันไนก็ได้าที่เราถูกใจทําให้ใจสงมบมมได้กระช้ยอ น, นั้นไปการเดินจงกรมจําเป็นไหมครับว่าจะต้องกุมมือควยหลังตลอดเวลาครับคือการเดินควยหลังนี่ถือว่าเป็ น, นกิริยาการที่ไม่สมบูรณ์ไม่อ่อนน้อมการปฏิบัตินี้เราถืว่าเราปฏิบัติดูชาพระพุทธเจ้า ดังนั้นีอาการของเราควรจะอยู่ในลักษณะอ่อนน้อมถมตนนอบน้อ ม, อมไม่ใช่เดินแบบเดินแบบมหาการะศัตรูเดินด้วยเอามือคว้ยหลังนี่เป็นเนคนที่มีอิทธิพลเดินกันเราไม่ได้เดินแบบนั้นเราจะเดินแบบเอามือกลมไปข้างหน้าที่หน้าตาก้าท้องาแล้วเราเดินโยกโยกแล้วก็ในตาก็ไม่มองแบบมองทอดไปข้างหน้าแต่มองไปข้างล่าง ในลักษณะของการมีความสำเรวจนี่คือลักษณะของอาการผู้ปฏิบัติที่เราปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราเรียกว่าปฏิบัติบูชานี่เทำไมศิลปศาสตร์ถึงเป็นมงคลในชีวิตครับก็ถถเอามาทำมาหาจริงได้คนว่าทาเป็นคก็เป็นกิจกรได้ไม่ต้องไปเป็นคอทาง คนเล่นดนตรีได้มันก็เป็นเล่นดนตรีหาเป็นอาชีพเนี่ยมันก็เป็นวิถีทางวันหย่างเนี่ยในรัปสาส์นต่างๆเป็นอาชีพที่สุดจะเเวลานั่งสมาธิดูลมแล้วเห็นลมถีขึ้นแผวเบาทำถูกไหมครับหรือควรจะปฏิบัติอย่างไรครับเลมจะเปลี่ยนไปยังไงไม่ต้องไปสนใจให้เราให้เราดูต่อไปถ้าได้ถึงจะถูก ถ้าเราไม่ดูต่อไปไม่พยายามที่จะไปปรับรุงเปลี่ยนนมให้มันเป็นอย่างอืงอ่นนี่ผิดแล้วให้ดูเฉยๆให้อยู่กับลมไปให้รู้ว่าลมเป็นอย่างไรนมเปลีป่ยนสภาพไปก็รับรู้ไปทั้นั้นเองให้รู้เฉยๆไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเร่องนี้นนในกรณีที่เราหลับแล้วฝันแสดงว่าจิตกําลังท่องเที่ยวแล้วถ้าไม่ฝันอยู่ในสภาวะใดครับก็อยู่ในสภาวะที่ขี้เกียจก็ได้ขี้เกียจฝันะ วเวลาบาทีคิดบ่อยๆมันก็เหนื่อยได้บางวันก็ไม่ไม่คิดอะไรก็มีพักบ้านก็ได้หรือถ้าเป็นคนที่ปฏิบัติสมาธิบ่อยก็จะไม่ค่อยฝันเท่าไหร่เพราะใจจะสงบมากกว่าจะไม่ค่อยคิดเท่าไหร่ไม่ปูแตกมาขึ้นมาพระที่รับซองจากญาติโยมมาทําบุญส่วนตัวเช่นสวดในงานพิธีต่างๆและเอาปัจจัยนี้ซื้ออาหารยารักษาโรคหรือค่าเดินทางแก่บิดามารดาแบบนี้จะผิดศีลหรือไม่ครับ คือถ้าเป็นเงินส่นตัวเนี่ยสามารถราไปใช้รายกันได้ถ้าเราเคยทำบาปแล้วเราสำนึกได้แล้วแล้วเราทำบุญเยอะๆสามารถจะบรรเทาบาปที่เคยทำมาได้ไหมครับบาปก็ยังเหมือนเดิมอยู่แต่ถ้าเรามปบุญเยอะบุญเราก็อาจจะส่งผลก่อนถ้าบุญมีมากกว่า บ, บาปบาปก็ยังไม่สามารถส่งผลได้ ทำไมผู้รู้ถึงไม่นึกไม่คิดไม่ปรุงไม่แต่งรู้แล้วก็เฉยอย่างเดียวทุกก็ไม่มีสุขก็ไม่มีแต่ก็รู้ว่าทุกและสุขแต่ผู้รู้ไม่เคยให้ค่ากับทุกขและสุขอยากให้หลวงพ่อหลวงพ่อช่วยชี้แนะเพิ่มเติมด้วยครับเอย่าไปสนใจในะปฏิบัติไปเลยไปเพราะเรื่องเหล่านี้ยอธิบายยากถ้ามันเป็นสันติกิโกรู้ใจเราสัตว์แต่ว่าวเรู้ใจเราจะมีความสุขว่า วอาจาย์เราไม่ผลิตความทุกข์ต่างๆขึ้นมานะครับอาจารเราคิดเรื่างนั้นเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะคิดไปทํากินเลยกินแล้วไม่ไทําให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจขึ้นมาการภาวนาคืออะไรครับการพัฒนาจิตใจมีอยู่สองขั้นขั้นหน้าพัฒนาจิตใจให้สงบให้เกิดความสุขขึ้นมาใน ใ, นใจห ล, ลังจากมีความสุข ความสงบในใจนะขั้นที่สองเราพัฒนาใจให้เกิดปัญญาให้ฉลาดให้รู้ถ่านว่าความทุกข์นั้นเกิดจากความอยากของตนเองให้ใช้วความปัญญาที่ได้ได้พัฒนาให้เห็นว่าความอยากต่างๆย่ำเป็นสุขความทุกข์สิ่งที่อยากได้น้อเป็นความน้อเป็นอนนี้จากทุกข์ต่างน่าตาอันนี้คือการพัฒนาจิตใจโดยสรุปก็คือให้ในความสุขแล้วให้ในความฉลาด ในการรักษาใจไม่ให้ทุกข์ก่าไรทั้งสิ้นผมเข้างานใหม่ผมไม่รู้ว่าเขาขโมยของกันผมทำตามคนเก่าเพื่ออยากทำงานหาเลี้ยงชีพแล้วเราวางใจว่ายืมรอเวลาคืนของที่ขโมยมาให้เจ้าของอยู่ผมผิดศีลไหมครับ <laughs> ขโมงก็ผิดแล้วแหละ ว, วางใจงไงสายเขาไม่เชื่อหรอก แล้วตำรวยก็จับก็คข้อมูลซับนะโมอาเจ้ารย์ไปคืนที่หลังเขาก็ไม่เขาก็ไม่เชื่อนะถ้าอยากไปคืนทำไมไม่เอาไปคืนทันทีเลยนะก็ข้อมูลมาแล้วก็เอาไปคืนก็เลยทําอย่างไรถึงจะก้าวผ่านขั้นนิมิตได้ครับให้มีสติเยอะๆถ้ามีสติเยอะๆในพวกนิมิตต่างก็จะหายเนยะ ขอาการเรียนถามว่าการอยู่เพื่อเป็นเพื่อนผู้ป่วยฟอกไตเป็นแคกิเวอร์ช่วยขับรถส่งเมื่อเขาไปเองไม่ได้โดยที่ไม่ใช่สามีภรรยาหรือญาติกันโดยไม่ได้ค่าตอบแทนเป็นค่าจ้างอันนี้ก็เป็นการทําบุญอย่างการรับใช้ผู้การช่วยเหลือผู้การให้ความเมตตากรรณาทำผู้อื่นก็เป็นบุญอย่างเพื่อนที่ไปวัด ป่วยเป็นมะเร็งรักษาตัวอยู่พระมักถามโยมว่าอยากเป็นมะเร็งไหมโยมตอบว่าไม่อยากท่านบอกว่าไม่ได้เห็นทุกโยมก็ไม่ได้ตอบต่อครับเป็นอดีตเจ้านายเก่าท า, ทางทางที่ตนเองตกงานไรบัสอ๋อคาถามเดิมเมื่อกี้พะอาจารย์ครับขาดที่พึ่งเช่นนี้เป็นการเบียด เป็นการเบียดเบียนตนเองหรือไม่บางครั้งก็เศร้าใจว่าตนเองเสียเวลาในชีวิตไปครับคนที่ไปช่วยเขาอะครับอาจารย์ช่วยคนที่เขาเดือดร้อนนะก็ได้มุมนไงก็ได้บุนไงไม่ได้เสียเวลาหรอก็นการทําบุญการทําบุญมีหลายรูปอะทําบุญได้ครับย์มมสมบัติเข้าของเงินทองก็ได้ทําบุญด้วยการให้ความช่วยเหลือทางกายทางวาจาก็ได้มีหลายวิธีได้ครับ คุณลุงเพื่อนบ้านอายุเก้าสิบเขาชอบมาเล่าว่าไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ไปทำไมอายุมากแล้วคิดอยากตายควรให้คำแนะนำเขาอย่างไรครับไม่รู้เป็นกันนะเราแต่เขาต้องการถามว่าดูทำไมถึงอยากตายจากหนุ่มน้อยนะครับหลวงตาครับผมจะสอนดนตรีไทยให้ฟรีให้นักเรียนเฉพาะคนจน เผื่อให้เขาเขาจะได้มีความรู้เพราะไม่มีตังสงสารครับจะได้บุญจะได้กุศลผลบุญไหมครับได้ก็เป็นการให้วิชชาวเขาด้วอย่างหนึ่งด้วยวิธีอาทานครับบางครั้งไม่แน่ใจทางออกคือถ้าชีวิตทางการงานต้องหาเหตุผลหาถูกหาผิดเพื่อปรับปรุงแก้ไขแต่ทางธรรมยมรู้สึกอยากปล่อยวางเพราะมีความสงบมากกว่าเหมือนทางสองแพร่ง ขอคำแนะนำพระอาจารย์ด้วยครับว่าควรทำอย่างไรดีทางโลกเหมือนสวนทางกับทางธรรมครับก็เราต้องเลือก ท, อทอางใดทางเนี่ยมาจนถึงจุดที่เราไปด้วยกันไม่ได้้ะทางโลกทัท้งทางธรรมพระพุทธเจ้าก็ต้องเลือกทาทธรรมถ้าสามารถจะสมบัติการทำสมาธิมากๆทำให้มีสติมากใช่ไหมครับไม่ใช่การทำสติมากทาให้มีสมาธิมาก สอบสวนเรื่องภาษาสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลส่วนใหญ่ค่นกลับไปคิดว่าสมาธิเป็นเหตุสติเป็นผลมันก็เลยพูดกันไม่รู้เรื่องรู้สึกโกรธและคับแค้นใจเวลาถูกบังคับให้เร่งเร่งทำงานและเติมเพิ่มงานให้ในเวลาที่จํากัดทําอย่างไรจะหลุดพ้นจากความรู้สึกนี้ครับทผนคิดว่าเราเป็นลูงน้องเขาเรามารับใช้เขาเขาได้เงินเงินจากเขา เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ได้เงิ น, นจากเขาอยู่แล้วก็ต้องยินดีถัดตามคําสั่งของเขาไปเราก็จะไม่ทุกข์ดูแลคุณแม่คุณพ่อตามใจท่านจนทุกคนบอกว่าลูกสปอยท่านจนท่านเอาแต่ใจมองลูกเป็นเหมือนคนรับใช้คนหนึ่งจนไม่สามารถใช้ชีวิตง่ายๆแบบคนอื่นแบบนี้ลูกทําผิดไหมครับไม่ผิดตอบถูกแล้วรับใช้พ่อแม่ เป็นกับสมัยที่เราเป็นเด็กพ่อแม่ก็รับใช้เราไม่แท้ไงเราเรียกร้องอะไรร้องพ่อแม่ก็ต้องรีบหามาให้เราแล้วมีการทดแทนเงิคุณเป็นความกตันยูกตเวทีถ้าเราซื้อหุ้นส่วนของบริษัทที่สร้างนิวเคลียร์หรือธุรกิจเกี่ยวกับน้ำเมาหรือธุรกิจเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์อย่างนี้เราจะบาปไหมครับมันไม่บาปหรอกอาจา จะวิเคราว่าบาปไม่ได้เพราเราได้รับผลประโยชน์จากการกระทําเพราะรามันเป็นรายได้ที่เราได้จากการกระทําบาปนะฮะแล้วก็มีส่วนด้วยในสังคมในปัจจุบันนี้เราแทบจะแยกแยะไม่ได้แล้วว่ากิจการอไหนไม่บาปเพราะมันเกี่ยวข้องมันเกี่ยวดองกันไปหมดมีหุ้นในธนาคาก็บาปแล้วเพราะธนาคาปล่อยหุ้นให้กับบริษัทย่อยะไปหมดเขาไปทาําบาปทำอะไรกันธนาคาก็ปล่อยไปครับเราได้ เราได้ดอบเ บ, บีย้ยจากธนาคารแล้วก็บาบด้วยกันนี่มันไกลเกินไปเอาแล้วเอ า, เอาแบบใกล้ตัวดีกว่าเอาจากการกระทําของเราดีกว่าเอาไปฆ่าเขาหรือเปล่าเราไปลัาทรัพย์ของพู้อื่เขาหรือเปล่าเอาแค่นี้ให้ก่อนนะแล้วอย่างที่มันไกลตัวเราก็อย่าไปคังวนกับมันมากจนเกินไปเ mm. ถ้าไม่ผิดกฎหมายก็โอเคก็ถือว่าไม่บาปแล้วแ ต, แต่ไม่กล้าว่าไม่กล้ารรับรองเลยแต่ว่าพวดเพื่อให้สบายใจ เอาบาปเฉพาะที่เกติกาการกทําของเราโดยตรงก็พอรักษาสินหน้ให้ได้ก็พอแล้วก็จะไม่ไม่มีปัญหาบนว่าสอบเข้าได้จะบวชเลยบวชเนนไปหนึ่งเดือนพอเรียนจะจบก็บนอีกว่าถ้าเรียนจบจะบวชบนว่าจะบวชสามเดือนบวชไปหนึ่งปีสามเดือนการบนแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทําอีกเลยใช่ไหมครับอาจารย์ อันนี้มันก็แล้วแต่บนเพื่ออะไรถ้าบนเพื่อที่ว่าทําไม่บน่นเราจะไม่ได้ก็ต้องบ่นอย่างนี้ก็คิดว่าเป็นควา ม, มงมายเพราะกันจะได้อะไรหรืไม่ได้อะไรนั้ น, ยนอยู่ที่การบ่นบานยู่ที่การกระทำเหตุของเราถ้าเราตั้งใจในหนังสือมันก็ต้องเรียนจบจะบน่นก็ไม่บน่นมันก็จะจบอดีให้เราอยู่บนหลัของเหตุผลดีกว่าศึกษาเหตุ ถ้าเราต้องการผลอะไรเราก็ต้องไปศึกษาที่เหตุเราทำยังไงถึงจะได้ผลอันนี้แล้วก็ไปอย่างทุกเทะการกระทบของเราให้สร้างเหตุ น, นั้นให้ขึ้นมาเพื่อจะได้ผลตามมาต่อไปอันนี้จะเป็นวิธีที่เหมาะกว่ายิ่นต่อไปชีวิตเราก็จะคอยบ่นอยู่เรือ่อยๆอาจจะได้แฟนก็ไปบ่นอีกเงี้ยพอเลี้ยงจบแล้วที่นี้ก็อยากจะมีแฟนก็ไปบ่นอีกพอนั้นแฟนมาแล้วอยากจะได้ลูกก็ไปบ่นอีกมันก็บ่นไปเรื่อยๆก็จะติดเป็นนิสัยเลย แต่ไม่มีความมั่นใจในตนเองจะไม่เป็นคนที่มีเห็นมีผลแม่สามีพูดจากับลูกหลานไม่เพาะพูดคําหยาบเราได้บอกท่านให้พูดจาให้เพราะเพาะพูดจาให้ดีและเปลี่ยนเป็นพรอวยพร ล, ลูกหลานแทนแบบนี้เราได้พูดถูกต้องแล้วไหมครับและการพูดกับท่านแบบนี้เราบาปไหมครับไม่ใช่าเป็นผู้ใหญ่ก็บเร า, เราไม่ควรที่จะไปสอนท่าน นอกจากว่าถ้าเากิดเรามีโอกาสได้ขอขออนุญาตว่าขอบอกอะไรบางอย่างได้ไหมถ้าท่านบอกได้ท่านดีๆแล้วคังก็บอกไปแต่ท่านอยู่ดีๆเราไม่ควรที่จะไปสั่งสอนท่านท่านเป็นผู้ใหญ่กันแล้วจิตเข้าอุปจารสมาธิพิจารณากายได้หรือยังครับ ยังไม่คาว่าอปจารัสราที่นี้คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจว่าเป็นอะไรมันยาคิดว่าจิตยังไม่ยังไม่สง บ, บยังมีความคิดปรุงแต่งอยู่ความจริงอบจารัสราที่นี้เป็นจิตที่สง บ, บแล้วแต่ออกไปท่องเที่ยวในโลกที่ไปมีอภิญญามีความรู้พิเศษเร่ยงอบจารัสราธิ เช่นสามารถติดต่อกับกายทิพได้อย่างพระุจ้าในแสดงธรรมปวดเทวดาก็เข้าไปในอุปจารสมาธิแต่การจะเข้าสู่อุปจารสมาธิดได้ทั้งดต้องผ่านอภปนาสมาธิกิจ ต, ตั้งลมเข้าสู่กามสงบเมื่อท่านที่จะอยู่ในการสงบนั้นก็กลับออกไปออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆพิเศษเข้าไปเอุปจารสมาธินี้ไม่เกี่ยวกับ ก, บกนุ่งพิจารณาพิปัสนานะ อุปจารสมาธิเกี่ยวกับเรื่องอภิญญาการอ่าเล่มชาติได้การอ่านว่าจิตขอผู้อืนได้การติดต่อกายทิพย์ได้อันนี้เป็นความสามารถที่เกิดขึ้นจากการเข้าสู่อุปจาระสมาธิการอย่าส่งจิตออกนอกคืออะไรครับการเพ่งกระสีถือเป็นการส่งจิตออกนอกกายหรือเปล่าครับไม่คือการส่งองนอกจิต คือมันเอานงาเนีานมาถึงเอา อ, ออกไปจากจิตเช่นไปคิดถึงคนนั้นคนนี้นะเนี่ยได้ว่าส่งจิตออกไปนอกถ้าไม่ให้จิตออกไปนอกจิตก็ต้องอยู่อยู่กับอารมณ์ที่รเราผลิตขึ้นมาเช่นพุทโกพุทโธจิตแค่ได้อยู่ข้างในการให้กระสินก็เป็นอิบายของการดึงใจให้เข้าข้างในนะครับเพราะการให้กระสินนี่มันจะทําให้ใจเราไม่ได้คิดถึงเรื่องราวต่างๆไนดะ้อยู่ความคิดที่จะส่งจิตออกนอกได้ กาเว้นถามพระอาจารย์ครับตอนภาวนารู้สึกสงบแต่พอออกจากภาวนาก็ฟุ้งซ่านาเหมือนเดิมต้องทําอย่างไรครับต้องไม่อภาวนาต่อเนอกจากสมาธิแล้วยังสามารถภาวนาได้ใยการจงรักส ต, ติต่อไปถ้าเราโดยการพุโทโธออกจากสมาธิมาเราก็บริการพุโทโธต่อไปถ้าเรามีการบริการพุโทโธเราก็จะสามารถรักษาจิตให้สงบต่อไปไม่ฟุ้งซ่านได้แต่ถ้าเรา ม, มีสติปล่อยให้ใจคิด ย้อนใจก็ฟุง้งซ่านขึ้นเราเป็นคนมีศีลธรรมแล้วทําไมลูกหลานถึงไม่เชื่อฟังคําสั่งสอนกับทําตรงข้ามแบบนี้เรียกว่ากรรมหรือบาปครับเป็นเรื่องของจริยธรรสายของากาะคนไม่เหมือนกันวันที่เขาไม่มีศีลธรรมเขาก็ไม่เ้าก็ไม่ทําวันที่มีศีลธรรมเขาก็ทำํำนี่คือตายของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ทำบุญที่เราไม่มั่นใจในพระที่วัดแล้วเราได้บุญหรือบาปครับได้ได้บุญไม่บาปพระโพธิสัตว์ไม่สามารถบรรลุทําได้เพราะอะไรครับแล้วท่านปฏิบัติทำได้ไหมครับเพราะท่านยังไม่ไม่ไปปฏิบัติธรรมชั้นสูงเนี่พระโพธิสัตว์ส่วนใหญ่จะเน้นปฏิบัติธรรมชั้นลน้างก่อนคือทานทานกับสีน์เมตตา ยังไม่อยากจะไปบวชยังไม่อยากจะไปภาวนาก็เลยบางครั้งทไมได้ขั้มัวแต่ให้ความเมตตาท่านบาลานีเมตตาบาลมนีท่านทานบาลานีอยู่ไม่ชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบทำให้คนอื่นมีความสุขอย่าตัวเองไม่สนใจที่จะไปบวชไปเปรตเว่ย์ไปบวชไปปฏิบัติธรรมก็เลยปฏิบัติได้แต่ทำชัต ชัน้นหน้าชั้นบนยังขึ้นไปไม่ได้ยังไม่ขึ้นไปสุดถัดชั้นบนท่านที่สูงกว่าท่านเป็นท่านที่เป็นพระโสดาบันแล้วต้องกลับมาเกิดอีกเป็นเพราะกรรมของท่านหรือเปล่าครับที่ปฏิบัติต่อให้จบกิจในชาติปัจจุบันไม่ได้ครับก็มีสาเหตุหลายอย่างงที่า จ, จะทําให้ท่านแล้วท่านบรรลุพระโสดาบันปัป้มแท่านเกิดอุบัติเหตุตายไป ท่านก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะยังยังมีกามาราคะยังมีความต้องการเรจตกามอยู่ท่านยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปอย่างบางท่านอาจจะไม่เกิดอุบัติเหตุอาจจะเจ็บไข้ได้ป Ł ่วยตายไปเรื่องอะไรก็ได้ที่ทําให้ท่านไม่สามารถปฏิบัติทำที่สูงกว่านี้ได้ท่านก็ต้องกลับมาทำต่อท่านก็จะไม่เกิดเจตช้าท่านก็จะสามารถเลื่อนขึ้นสู่ทำที่ ที่ขั้นที่สูงกว่าได้แล้วตะจำไม่ต้องการมันเกิดต่อไปได้จิตที่มีอุเบกขาคือการบริการพุโทโธหรือการใช้ปัญญาปล่อยวางครับหรือต้องทําอย่างไรครับเส่วนใหญ่จะเกิดจากการบริการพุโทโธให้จิตเข้าสมาธิเข้าปัญาสมาธิเพราะจิตอยู่ในปัญาสมาธิจิตก็จะมีอุเบกขา ส่วนการใช้ปัญญานี้เป็นการใช้เพื่อรักษาอุเบกขาที่เรามีอยู่แล้วด้วยการทำลายตัวที่มาทำทำลายอุเบกขาก็คือกิเลสตัณหาเองความจิตที่สงบมีอุเบกขาพอกิเลสตัณหาออกขึ้นมาความสงบนั้นก็จะหายไปเพราะอุเบกขานั่นก็จะหายไปถ้าเราอยากจะให้อุเบกขานั้นกลับมาเราก็ใช้ปัญญ า, าได้เป็นปัญญา ตัดกิเลสให้ได้ถ้าตัดกิเลสได้จิตก็จะกลับมาอยู่ในความสงบเป็นอุเบกขาต่อไปได้แต่เบื้องต้นเราต้องสร้างอุเบกขาขึ้นมาด้วยการจลาสติก่อนถ้าเรายังไม่มีอุเบกขานี่เราก็ไม่รู้จะใช้ปัญญาให้มันเป็นอุเบกขาได้อย่างไรโอนเงินช่วยคนเป็นมะเร็งทุกเดือนเราได้บุญไหมครับได้ให้กับธรรบุญให้กับวัดทุกเดือ น, นก็ได้บุญเหมือนกัน ทำบุญกับโรงอยาบาลก็ได้ทาบุญกับรงพยาบาลก็ได้ทำบุญกักบกพ่อแม่ก็ได้บุญกันให้พ่อแม่ใช้ทั้งเหนื่อยก็ได้บุญเหมือนกันการนั่งสมาธิใช้รูก ป, ประคำร่วมด้วยในการดึงพุโทโธให้ติดในการทําสมาธิได้ไหมครับในเริ่มต้นอาจจะได้อยู่นะแต่ถ้าอยากจะให้จิตสงบมากๆนี่กายต้องนิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวทางร่างกายถ้ามีการเคลื่อนไหวทางร่างกายแสดงว่าจิตยังต้องทํางาน สั่ให้ให้รูปให้นับรูปประคำอยู่ถ้าอยากจะให้จิตนิ่งไม่ทํางานอะไกเราต้องไม่ทําไม่ต้องใช้จิตสั่งการไปที่ร่างกายร่างกายนั่ ง, น, งนั่งอยู่เฉยนันิ่งๆไม่ทำอะไรไม่มีการขึ้นไหวในเบื้องต้นถ้าเรายังไม่มีสติพอเราก็อาศยการจะให้รูปประคำ น, นี้ไปการเจริญสติไปก่อน น, นะในวันที่จุดหนึ่งถ้าเราคิดว่าเราเริ่มสามารถดูลไมดได้ดูพุทโธได้เราก็เริ่มใช้รูปประคำ ผมมีความตั้งใจอยากบวชช่วงปลายปีปรึกษากับทางบ้านแล้วแต่ทางบ้านยังคัดค้านอยู่เนื่องจากรวมมีปัญหาเรื่องที่ทํางานผมเลยยังไม่ได้ตัดสินใจบวชตามคําแนะนําของที่บ้านแบบนี้เท่ากับผมเสียสัรจระย์ไมครับก็แล้แต่ว่าตั้งสัรจริไว้ไหร้อปล่าการตั้งใจนี้ยาจจะตั้งใจแบบไม่มีสัรจริยัน็ได้ตั้งใจแบบ่อยๆกนะ็ได้หรืตั้งใจแบบเอาจริงอาจังก็ได้ก็อยู่ที่ว่าเวลาที่เราตั้งใจนั้นตั้งใจแบบ โยมเคยเป็นหนี้คนคนหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่สามารถติดต่อเขาได้โยมไม่รู้จะคืนเงินอย่างไรถ้าเราเอาเงินส่วนนี้ไปทําบุญในชื่อเขาได้ไหมครับไม่ได้แล้วเพราะว่าเราไม่ได้คืนเขาเลแล้วเร า, เาไปคืนเขาถ้ายังไม่สามารถคืนเขาได้ก็เราเราไม่ก่อนก็ดได้ในตอนนี้นเราไม่มีเจตนาที่จะโกงเขามันก็ยังไม่บงมังโอกาสที่จะใช้ให้เขาไม่มี เวทมนต์หรือคาถาต่างๆอย่างนี้มีจริงไหมครับมีจริงแต่มันรู้เป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้มีจริงก็งมีคนใช้กันเอยอะแยะไปหมันจะเป็นจริงหรือไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันไอ้หลวงตาท่านก็เคยเล่านะสบัยที่ท่านเป็นกราวะท่านก็รู้จักคนที่มีวิชาเรียกเสือมาได้ให้เรามีคาถาครับ ท, รบท่านก็วิชาท่านแบบด้วยไม่ว่ามีคนเล่าให้ท่านฟังอีกทีนะมัน นำแม่ไปกับคนที่มีความสามารถนี้น่าสามารถใช้เว็นบนนี้เรียกเสือให้ใหมาหาได้แล้วเสือก็จะมาแบบเคลื้มเคลิ้มเคลิ้มแบบคลื่นแบบเตือแบบเชื่องเชื่องมาให้หลอกให้รับครับงั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นของจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่เอาอยางคูบาอาจารย์เราต้องเชื่อแล้วนะม่นมีจริงแต่มัน ไ, ไม่สามารถมาลกน้นําเรื่องกรรมของเราได้มันไม่สามารถทําให้เราสิ้นเกลียดได้ของพวกนี้ เคยได้ยินว่าถ้าจิตสุดท้ายก่อนเสียชีวิตถ้าเกิดอคติในใจหรือคิดเรื่องไม่ดีแม้ก่อนหน้า น, นั้นจะเป็นคนถือศีลก็ต้องไปเกิดในทุกขติภูมิไหมครับไม่จริงหรอกจะไปเกิดอยู่ที่บุญบาปที่เราทำว่าไหนมีมากกว่ากันถ้าบาปมากกว่าก็ไปทุกขติถ้าบุญมากกว่าก็ไปสุกติกกกกตจเจริญสติทุกวันจะพ้นภัยจากความคิดร้ายได้ไหมครับ ก็จะช่วยไม่ให้เราไปคิดร้ายได้ถ้ามีสติพอคิดแล้ายเราก็หยุดมันได้เกิดความฟุ้งซ่านจากความคิดควรกลับมาดูกายหรือดูจิตหรือดูลมหายใจดีครับถ้ามีการเคลื่อนไหวหอยู่เมีการการะทาอะไรอยู่ก็ใช้คําบริการพูดโทนีกว่าถ้านั่งเฉยๆก็เดูลมหายใจเข้าือพูดโทนก็ได้ ผู้ที่จะนั่งสมาธิแบบว่าถ้าไม่สำเร็จจะไม่ยอมลุกจากที่นั่งแบบสละตายได้ระดับจิตของผู้นั้นต้องอยู่ในระดับสูงพอสมควรใช่ไหมครับก็ไม่อยากจะิเคำ อ, อะไรนี้ถ้าทำได้ก็ทำได้ถ้าทำไม่ได้ก็ท ำ, ไ ม, ไ, ทำ ไ, ม ไ, ไม่ได้เลย ถ้าในส่วนโลกโซเชียลเขาปั่นจนทำให้เราต้องเสียผลประโยชน์เพราะเราก็ทำให้คนที่เขาปั่นให้คนในโซเชียลเขาจะบาปไม่ครับสงสารเขาเหมือนเขารู้แล้วยังทำเลือกปฏิบัติครับถ้าไปทำให้คเหนเสียประโยชน์หรือมีเจตนาก็เหมือนไปรักทรัพย์เขาไปทำร้ายเขาก็บาป ดูจิตยอย่างเดียวไม่ทําบุญไม่เดินไม่นั่งสมาธิจะสําเร็จจริงไหมครับดูไม่ได้หรอกถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิจอาอะไรไปดูก่อนนั่งสมาธิทุกครั้งต้องเดินตรงกลมไหมครับไม่จําเป็นนะจะนั่งไม่เดินก็นั่งไม่เดินก็ไ ด, ไไ ด, ได้แล้วแต่ความพอใจของเราต้องนั่งภาวนาแล้วสงบ แต่อตอนนั่งภาวนาแล้วสงบแต่พอออกจากภาวนาปรุงสั้นเหมือนเดิมอันนี้เหมือนถามแล้วไหมครับใช่แล้วไม่รักษาสติตามัมนมีสติตาม้ก็จะไม่ปรุไปเห็นภาพอุจจาระในโซเชียลเลยเอามากำหนดหลับตาทำให้ความอยากอาหารกับราคาเบาลงจะทำยังไงให้เห็นภาพนั้นชัดเจนเหมือนตอนแรกๆครับและทำยังไงไม่ให้จิตใจดึกๆนั้นต่อต้านครับก็ดูบ่อย ดูคนเดียวเดี๋ยวมันก็ลืมได้พอมันลืมก็กลับไปดูใหม่ดูบ่อยๆมันจะเป็นไว้ใส่ในมือถืออะไรก็ได้ทุกครั้งเอาไปมือถือขึ้นมาก็เห็นอะไรเป็นอะไรสกรีนเซิร์ฟอไอย่างเบื่ออาหารเลยนะครับพรอาจารย์ทำสมาธิแล้วแต่ยังคงนอนไม่หลับหลับยาก ส่วนตัวรู้ตัวว่าคิดมากหลายเรื่องเช่นนี้ปรับปรุงในส่วนไหนเพิ่มเติมดีครับที่สติพยายามเจริญสติบ่อยๆน่าจะสามารถควบคุมความคิดได้น่าจะหลับได้ตอนคุณพ่อท่านเสียชีวิตตอนกลางคืนตอนนั้นไม่มีใครเห็นตอนเลยอยากจะทราบว่าตอนนั้นจิตใจท่านเป็นเช่นใดครับอาจารย์ไม่มีใครรู้หรอกนอกจากตัวท่านเองยังไม่รู้เลยเนาะเวลา มมจตติิดแล้วไ่ีสก็จะไม่รู้การสะสมการฟังธรรมะไลฟ์อของพระอาจารย์ทุกครั้งแบบนี้เหมือนหยอดกระปุก บ, บุญเข้าใจถูกไหมครับขอกราบขอคําแนะนําครับก็ได้รุญที่เกิดจากการฟังธรรมซึ่งมีอยู่ห้าข้อในกาอได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองธรรม ท, ที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วถ้าเราฟังทำให้เราก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปต า, ามลำดับ สามจะกำจัดคํามรามัยสงสัยในธรรมต่างๆง่ายสี่ 4. จะทำให้เรามีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องห้าจะทำให้จิตของเราสงบผ่องใสนี่คือบุญหรือประโยชน์ที่เราจะเราจะได้จากการฟังธรรมแต่ก็ไม่ได้ราคบว่าจะได้ทั้งห้าอยู่ที่การฝังเราว่ามีสติและม่ีสติด้วยถ้าฟังแบบใจลอยจะไม่ได้ไม่ได้ไได น, นิสงส์อะไรก็ได้ ก่อนจะเสียชีวิตอาการจะเป็นอย่างไรครับพอาจารย์ไม่รู้จะพูดยังไงคำถามนี้คุณไม่รู้จะถามไปหม่อยมัน่รู้จะตอบยงไงนะพาเรายังไม่ตายเราก็จะไม่ได้การที่แล้วตอนที่เราตายมีความรู้สึกอะไรบ้างยมรู้สึกเบื่อหน่ายชีวิตวุ่นวายข้างนอก แต่พอไปปฏิบัติธรรมที่วัดทุกครั้งหลังลางงานไม่มีผัสสะเยอะทําให้รู้สึกสงบอย่างนี้เรียกว่าติดสงบหรือเปล่าครับเพราะว่าติดสงบนี่มันก็มันก็ไม่เสียหายตรงไหนนะเพราะว่ามันทําให้เรามีความสุขและเป็นความสุขที่ไม่มีโทษก็ติดสงบได้จะเรียกว่าติดสงบก็ได้ชอบความสงบก็ได้น้านนแต่คําพูดดีกว่าคําว่าจิตนี่มันอาจจะมันมีครั้งว่ามันอาจจะมีมันก็มีโทษ เช่นติดยาเสีพติดติดนู่นติดนี่นะครับติดติดการสงบนี้ไม่มีโทษต่อจิตใจมีแต่คนมีแต่ประโยชน์ครับติดได้อันนี้ส่งของการสวดมนต์จะได้ตามคุณประโยชน์ของบทสวดมนต์นั้นและได้สมาธิด้วยใช่ไหมครับคุณประโยชน์จากบทที่สวดนี้มันไมมันไม่ได้หรอกไม่ได้แต่ได้แต่สติได้แต่สมาธิเ ส่วนที่เขาบอว่าสวนเร้จะต้องให้เล่าให้หน่อยนี่มันมันเป็นไปไม่ได้จากการสวดถ้าเราปฏิบัติได้ขั้นโสดาบันในชาตินี้แล้วกรรมที่เราทำในชาตินี้ข้อปานาติบาเราจะต้องชดใช้ในชาติต่อไปหรือเมื่อตายไปแล้วไหมครับถ้ายังวเกิดอยู่ถ้ากรรมนั้นยังไม่ได้ส่งผลมันก็จะส่งผลให้กับเราได้ต่อไป จะประสบผลได้กับเราไม่ได้ก็ตเมื่อเราไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปคำถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับบนว่าถ้าสุขภาพดีขึ้นอาการโรคสงบแล้วจะไปแก้บนไข่ต้มพระพุทธโสธรแบบนี้อย่างนี้ถือว่าเป็นการงมงายไหมครับมงมงายเพราะว่ามันจะหายไม่หายที่เราบุญก็ไม่บุญไปถ้ามันมีเหตุอาจารยที่ทําให้มันหายมัก็หาย ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่ทให้มันหายมันก็ไม่หายมันอยู่ที่เหตุอยู่ที่ปัจจัยมันไม่อยู่ที่การบวนและไม่บวนขอโอกาสครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังอยู่ในเฟซห้าร้อยเก้าสิบสี่ในยูหกร้อยห้าสิบสี่ในครับเจ็ดในติกต อ, อกสี่ร้อยห้าสิบสามนะครับรวมหนึ่งพันเจ็ดร้อยกบเจ็ดคนนะครับเริ่มอ่านคำถามแรกเวลายี่สิบนาฬิกาสิบสี่นาทีพระาอาจารย์ตอบไปหนึ่งร้ยสิบสามคำถามครับอาจารย์ครับ ก็ยินดีกับทุกท่านที่มาเริ่มสนทนาถามตอบคำถามกันบังว่าคงจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสล้วรอบคืนนี้การสนทนาถามก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาต้องขอให้ท่านจงนำเราสิ่งที่ท่านได้ยินในฝั่งไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุความเจริญก้าวหน้าในทายิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฝั่งไว้เพียงเทนนี้ ถ้าโอกาสหน้าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คงจะได้พบกันอีกงเช่นเคยในเวลาเดิมขอเจริญพรขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ